อาจารย์ครับตากิสกานครับผมรยญาณพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพอาจารย์ครับวันนี้วิสัชนาธรรมตอนนี้มีคนมารอฟังพระอาจารย์เกือบเจ็ดร้อยคนนะครับวันนี้ช่วงครับพรรษานี้ซึ่งเพื่อนสนใจกันมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะจะกลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องบัวสีเหล่าครับพระอาจารย์เคยเล่าบอกว่าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรูต้ตอนแรกเนี่ยท่านท่านตั้งใจจะ ไม่ได้คิดว่าจะสอนเพราะว่าธรรมะนี่ดูจะยากเกินไปสําหรับคนทั่วไปใช่ไหมครับแล้วตอนหลังเนี่ยเหที่ท่านเอามาสอนคนก็เพราะว่าท่านแบ่งบัวเป็นสีเหลา่าวันนี้พวกผมก็เลยอยากจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ที่เหล่าไหนครับอาจารย์ขอขามนมทตา อ, อาจารย์ด้วยครับก็บัวพ้นน้ำที่คุณหมอพูดถึงในอันนั้นก็เป็นพวกที่จิตอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดส่ง คือพระอริยสัจ ส, สีกับไจรักพอพูดแค่นี้เขาก็บรรลุได้คืเป็นพวกที่มีสิงที่บอยสุดเป็นนักบวยแล้วก็ในเจริญสมาธิเข้าฌานได้ทั้งระดับรูปฌานหรืออรูปฌานมีจิต ท, ที่เป็นอุนเบกขาตั้งมั่นที่สามารถ ละความรักช้ำตัวหลงได้อย่างง่ายดายว่าเวลาเข้าชาเนี้เขาจะมีอุเบกขาเต็มที่คือไม่รักไม่ชม้ำไม่กลัวไม่หลงเพียงแต่ว่ามันเป็นชั่วคราวพ อ, อจากสมาธิมาพอเริ่มมาสัมผัสกับสิ่งตา่างๆน้ำทิตย์ตูดแต่ความรักความไม่รักช้ำกลัวหลงมันก็จ้ำหายไปมันก็เริ่มมีรักมีชม้ำมีกลัวมีหลเวลาเห็น เวลาสัมผัสหรือเวลาคิดว่ายังถูกอำนาจของกิตเรศให้หลงคิดไปในในในธรรสมมุติอยู่ยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ถ้ามีใครมาสอนเราว่าสิ่งต่างในโลกนี้มันไม่มีตัวเอกตนนะมันเป็นเพียงสภาวะธรรมของเป็นธาตุชนิดต่างๆไี่มารวมตัวกัน เ้าทำให้กลายเป็นสิ่งต่ตางๆขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวถ้าไปยึดไปติดกับมันมเวลามันไม่เที่ยงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็ปล่อยวางของทกอย่างที่จิตมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นธรรมารมที่อยู่ในจิต อายุใกล้ๆผู้เจ้าสงสอนแค่นเนี้ยไม่ได้สอนให้ทำสมาธิไม่ได้สอนให้เจริญสติไม่ได้สอนให้รักษาศีลเพราะวนี้ยเขามีศีลมีสมาธิมีสติแล้วเขาได้เจริญมาแล้วเขาได้ศึกษาจากครูบาอาต่างๆนะสมัยก่อนที่พระอเจ้า จ, าจะ์จตัลสโรนี้ก็มีการรักษาศีลมีการเจริญสติมีการเข้าสมาธิเข้าฌานอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา ของนักบวชทั้งหลายแต่ไม่มีใครสอนเรื่องปัญญาเรื่องตายรักเรื่องวาลยาศสส응ีก็เลยติดตรงนั้นติดตรงที่เวลเอาออกมาจากสมาธิแล้วพ อ, าอามาคิดแค่คิดว่ามีีสัตว์มีบุคคลมองเป็นตัวเป็นตนไหอหท่านนี้จะมองว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติก็เลยไปยึดไปติดแล้เป็นเราเขาเป็นของเราของอาย ไ, ไป แล้วก็มีความรักชังโกลหลงต่างๆ ม, มีความอยากต่างๆนักก็อยากได้ชังก็อยากหนีก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่พระอุตตรชัยเองตอนที่บำเพญตั้งตก็ไม่รู้ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้สอนได้เพียงแต่ระดับรูปประชานะลูก ป, ประชา พอตัดสนุล้วรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากในสิ่งที่มันไม่เทีย่ยมในสิ่งที่มันไม่มี ต, วตัวมีตนแต่อใจอยากไปคิดว่ามันมีตัวมีตนเป็นเราเป็นของเราพ อ, อะไรไม่เป็นเรา ม, มีอะไรเป็นของเรามันก็อยากใช้ใมันอยู่กับเราเป็นนานๆแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราเป็นนานๆอยากมันมวีวันจบพระวจนะก็เลย ปล่อยวางความอยากทั้งหลายได้เพราะรู้ว่าถ้าอยากลาทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องไม่อยากเพราะจิตนี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรยิ่งเวลาปล่อยวางไม่มีความอยากยิ่งมีความสุขใหขณะที่ยังไม่ปล่อย ตัอยางไปยึดติดอยู่กับพวกความสงบที่ได้จากชานจากลูก ป, ประชานและล ป, ประชามันก็มีความสุขแต่เห็นว่ามันไม่เทีย่ยงเวลามันเสื่อมมันทําให้ใจทุกข์ก็เลยยังเห็นว่าความสุขจากลูก ป, ประชานลูก ป, ประชานี้ยังเป็นปนัญหาอยู่ก็เลยพิจารณาที่เป็นปนัญหาเพราะว่าอยากให้มันสงบไปตลอดแต่ธรรมชาติมันเป็นของไม่เทีย่ยงมันเข้าให้มันสงบไปตลอดนะครับ ยิ่งากยิ่งทุกข์เงียบย่งากมันสงบตลอดมายิ่งอยากนะ ย, ย, ยิ่งทุกขเงียบต้องอะต้องปล่อยปล่อยให้จิตแบบสงบหรือไม่สแบไปตามภาวะของของของธรรมชาติของคําพอปล่อยเพราะมันก็มันก็หายทุกทุกที่เกิดจากความอยากให้มันสงบอยู่กับความสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ จิตก็ไม่ทุกจิตอยู่กับทุกสภาพได้ทุกสภาพยังเหมือนเดิม่ร่างกายก็ยังเหมือนเดิมอย่เมตนาก็ยังเหมือนเดิมจิตก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจฉลาดไม่ปัญญาหรือ ว, ว่าทุกข์เกิดจากความอยาก่อหยุดความทุกข์ได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ของใจก็หมดไปก็เลยเวลา จ, จะแสดงธรรมครั้งแรกก็เลย พุไปครับพกที่พวนน้าก่อนดีกว่าเพราะพวกนี้เขารอแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าทนั้นเ อ, องพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปั๊บเขาเข้าใจปั๊บเขาก็บรรลุได้ตอนนีนนึกถึงพระอาจารย์สมงที่เคยศึกษาไปก่อนอนดีเนี่ราวว่าท่านองหนึ่งเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วอีอบ่บอกว่าเสียไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เลย รู้สึกเสียดายเพราะว่าอาจารย์สองน้องก็เสียโอกาสอันดีที่จะไม่ต้องกลับมาเวรว่ายตายเกิดแต่พอยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ยังต้องกลับมาเวรว่ายตายเกิดต่อไปก็อมอไปที่กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มปัจจวัคคีย์ผู้ที่เคยติดตามือพระพุทธเจ้าเ ป, เป็นอาจารย์ แต่ต้องเสียบศรัทธาเมื่อพระพุทธเจ้าทราางยุติการอดพระกยาหารก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าปวดตายแต่การติดการหยุดอาหารพระพเจ้ า, านี้เพราะเห็นว่ามันไม่เป็นทางสู่การหลุดพ้นนั่นเอทุกข์ก็ยังมีอยู่แม้จะอดข้าวได้สี่เก้าวันมันก็ยังไม่ได้ทําให้ความทุกข์หายไปความอยากหายไปก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ทางก็เลยต้องหยุดอด กินเพื่อให้มีกําลังเมื่อจะได้มาพอนะมาแก้มาหาความจริงว่าความทุกข์เกิดมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะมันเกิดที่ใจจนในที่สุดก็เพราะว่าใจที่อยากนี่แหละทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจที่ไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ก็เลยมาคิดถึงพระปัจจุบันขี่หรือแม้จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็น เมืส at uh, anyway, ิจธิการจ่กันแล้วเห็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าและเห็นความศักยภาพของพระปัจจาวัคคีก็เลยมุ่งไปหาพระปัจจาวัคคีเพื่อโปรดพระเจ้าวัคคีตอนแรกพระปัจจาวัคคีเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเขาก็สงจิตสงใจว่าให้จะไปตอนรับดีไหมเพราะว่าเราเสื่อมศักทธิในตัวคนนี้นะครับ แต่เนื่องจากเห็นพิริยาการที่สวยงามของพระเจ้าทำให้เขาอดเกิดศรัทธาขึ้นมาไม่ได้ก็หลยไปต้อนรับพระเจ้าแล้วก็อัญเชิญแล้วพระเจ้านั่งประทับอยู่พระเจ้าเห็นสมควรแก่เวลาก็แสดงธรรมให้กับพระปัจจุบันก็แสดงน้ำใจรักน้ำระายะาศาัสดิ์ีที่ไม่มีใครรู้มาก่อน พอแสดงจบหนึ่งในพระจาปัญญกวิธีก็เข้าใจในเรื่องของของใจนัสเรื่องของอนาจจังเรื่องของยงใงมีการจัยขึ้นย่อมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ปล่อยวางขันห้าไดา้ปล่อยวางกายเวทนาจิตกายายเวทนาสัญญาสัญญาอันยาด่ายก็ันรู้เป็นขั้นแรกเหนือนพระโดาด พอมาเาพระเจ้าทรงแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแสดงเรื่องอนัตตาแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นจิตก็เป็นเวทนาเป็นเป็นของไม่เทียมเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนพอเข้าใจเขาเขาก็เลยปล่อยวางรู้ควบคุมบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บังคับไม่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไมนั่งบังคับให้เวทนา ไม่ไม่ทุกข์ไม่ได้มันทำให้จิตไม่ไ ม, ไม่วุ่นวายไม่ได้จิตจิตมันก็วุ่วายบางมันก็สงบต้องปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบเขามันสิ่งเหล่านี้เขาก็ปล่อยได้ครับเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็หล ค, ความกันห้ารูปอย่างนี้อ้าปัญญาวิธี ดูความน่าจะได้ฟังอนัตนตลักษณะสุตตานี่พระเจ้าทรแสดงขา น, น้าว่าเป็นอนัตตาในทางสายปฏิบัติท่านกี้ว่าอาจจะขาดตกอยู่ข้อไปข้อหนึ่งก็คือนอกจากฐา น, น่าแล้วต้องมีจิตอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะจิตนตี้แต่ก็อาจจะหมายถึงนามาขันว่าเป็นจิตก็ได้้นีก็แล้วแต่คนจะพิจารณา แต่ก็หามายถึงเนี่ยร่างกายและจิตใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตร่านนงกายเป็นธาตุสีออ่จิตก็เป็นท่า น, นุเหมือนพอรู้แลไปควบคุมบังคับธรรมชาติไม่ได้ก็ปล่อยให้ธรรมชาตินั้นไปควบคุมมังคับดิน้ากัดไม่ได้โลกร่างกายกับจิตใจก็เป็นมัอนดินฟ้ า, ากัดไปควบคุมทำไม่ได้ก็ปล่อยเองอยู่กับเขา สัมพันธ์เริ่มมีตาบันในจรงนี้แร้วจิตก็ไม่ชมกหลังจากนั้นก็บอกให้เพระบัจจวัคคียกทางทาาไปผลักเทิดกระทางไปเผยแผ่ธรรมมันสเสรินี้ให้แก่ผู้ต่อไปช่วยพระพุทธเจ้านะเป็ น, ปนผู้ช่วยศาสดาจารยนะ์ตรงนี้พอเรียนจบปั๊บก็ได้เป็นเจ้าปไต้ยต่าเป็นผู้ช่วยศาสดาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นศาสตาจารย์นองมาก ตรงนี้เขาก็มุ่งไปตามสำนักปฏิบัติตา่ต า, ต า, างๆแสดงทาแบบเดียวกับที่เขาได้เรียนรู้มาก็ในระยะเเพียงเจ็ดเดือนได้นี้ปรากฏมีพาาระอหลันอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่อยู่สารทิตต่างๆมากราบพระทเจ้าพร้อมกันโดยไม่ได้นหมายกันไว้ก่อนภานเจ็ดเดือนนี้สามารถสร้างพระอังนธ์มาได้ถึงหนึ่งพันสองร้ห้าสิบเป็นอย่างน้อย เหตุจำนวนในที่ไม่ได้มากราบไหว้ก็อาจจะมีอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระธรรมของพระเจ้าเจ้านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าจิตต้องอยู่ในระดับที่พร้อมจะรับก่อเมื่อเมืนอนดยู่นสอนพวกที่พร้อมที่จะรับ ท, ทันทีจะได้ไม่เสียเวลาจะได้อาศัยพวกนี้ไปช่วยเผยแผ่ทำให้กับ ดัวรระดับที่สองต่อไปคือระดับที่ปิ่นน้ําพวกนี้ก็ปเปลี่ยนเป็นพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิยังฝึกสมาธิีกยังฝึกสติอีกจะไปสอนพวกนี้ให้เขาเร่งการเจริญสติให้เขาเขาา้าฌานได้พอเข้าฌานได้ก็ให้เขาศึกษาอริยสัจสิศึกษาใจน ะ, ะเขาก็สามารถบรรลุได้ พอได้ฌานก็จะเป็นบัวพ้นน้ำขึ้นมาแล้วพอได้ได้ปัญญาก็ก็ได้เป็นบัวบานขึ้นมาคนที่สองพอสุมที่สองได้บรรลุมา ก, ก็ไปช่วยเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่สามพวกบัวกล า, างนะพวกบัวกล า, างนั้นก็เป็นพวกที่ยังไป็า ร, รวาะยากอยูอย่แต่สนใจในเรื่องทําบุญทําทานในเรื่องรัศน์ศีลในเรื่องภาวนา เสอนเขาวิธีรักษาสีต่างๆให้ถูกต้องเขาสอนเขาวิธีภาวนาวิธีเจริญสติแล้วก็ให้เอามีการปฏิบัติในวันพระวันหยุดทํางนานสอนนั้นเขอยากไปหาความสดชื่ตามชมูกทิ้การเอาเวลามาหาความสดชื่นการปฏิบัติทรรมอันธรรมดาจะให้รักษาสีหน้า มันาระวันจิตทํางานแค่ามารักษาสี่งแต่แล้วก็มาภาวนาถ้ามาวัดได้ก็มาภาวนาภาวนาที่วัดถ้าไม่สะดวกก็ภาวนาที่บ้านก็แล้วะแต่จนกว่าจนเขาเริ่มมีความชํานาญกับการภาวนานํลำบากับความสงบบ้างเขาอยากจะมีศรัทธาอยากจะภาวนาเพิ่มมากขึ้นก็ จ, จะคิดบวชต่อไปเป็น เปลี่ยนจากเป็นเป็นบัวกลางน้ํำไปเป็นบัวเปลีนน้ําเมื่อได้เป็นนักบวชได้ปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องก็จะได้ฌานในที่สุดพอได้ฌานก็จะโผล่ต้นเหนือน้ําขึ้นมาแล้วก็พิจารณาใยลักพิจารณารีาสัจเศก็จะบานขึ้นมานี่คือพวกกลางน้ํา ส่วนพวกสุดท้ายนี่เป็นพวกที่ไม่สนใจเรื่องศีลนธรรมไม่สนใจเรื่องทรรมบุญธรทานสนใจแต่เรื่องหาเงินหาทองหาลาภนักเสริฐเสริญสนใจแต่เรื่องความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตวความมีได้รับรางวัลได้เก็บประโยชน์ใดตา่างสนใจกับการหาความสุกทากตรหูจมูกดินจาร์เป็นพวกที่สนใจกับราภนักเส ร, เริฐเสุิ ไม่เชื่อเรื่องเรื่องบุญกุศลไม่มีประโยชน์อะไรไม่เชื่อเรื่องการรักษาสินเงินกับนอกเป็นเป็นตัวถ่วงการเจริญทางหน้าหน้ามิสนรเซิญสุดก็เลยไม่สนใจที่จะทําบุญไม่สนใจที่จะรักษาสินเงินเอาเวลาให้กับการหาหนามิสนรเซินแถวทาสุดางกางใจัหวดนี้ครับช่วงนี้ก็ธรรมะเข้าไปถึงไม่มีทางที่จะ โผลขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่การเป็นอาหารของปลาเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบาบางพวกที่อาจจะโผล่ขึ้นมาเป็นบัวกลานา้ำจะเป็นพวกที่อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสรับรูกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะเกิดมีความสนใจอาจจะมีเหตุบางอย่างหนึง่งมาเช่นบางทีลูกมาบวชแล้วหนึน่งพ่อแม่มาวาัดอีกพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดไม่สนใจแต่พอมาได้มาวัดได้ทำบุญนะครับ ทางเทศทําทํางได้รับสิ่ก็ได้เห็นสัมผัสกับความเย็นสบายของการปฏิบัติทํานทานสิก็จะเกิดศักดิ์าขึ้นมาส่บไปก็จะกลารเป็นเหนือกลายเป็นวัวกลาง้ําขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติท่านเล่นก็เป็นวัวเป็นงามน้าวัวเหนือน้าวต่อไปอต่มน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะถูกฟูปลาเป็นอาหารแบบกินมานานแล้ แก็าอาจจะมีพวกที่เลื่อรลอดพ้จากการเปเบี้ยของปู่ป้าได้ขึ้นมาเป็นตัวนะเช่งบางคนประสบการณ์ก็โอเยาป็นอย่างนั้นสมัยที่ไม่เคยสนใจศาสนาก็มีใช่สนใจจากการเรียนการทำอาหากินอยากจะได้อาชีพดีๆอยากจะอะไรดีๆอยากมีเงินเงมีบ้านมีช่อง ม, มีสมบัติเมีความสุ ทางน่าพูดสารเสงย์ทั้น้อยก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาเื่อที่จะเข้าหาศาสนาแต่วันเดืวันดีคืนดีอาจจะมีอะไรเป็นเหตุชักจูงไม่เข้าหาศาสนาแต่ตัวเราเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาครัตอนนย้นตั้งใจจาเรียนให้จบจะได้มีพลังงานจะได้ไปทำอาชีพเงินอะไรแต่ไมได้มีมงนใช้ มีการเที่ยวมีการอะไรอยู่ไปมันก็คลิกย่ น, นี้แต่ในใจเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าใจเรามันมันมีความรู้สึกมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกกับเรื่องงานต่างๆที่มันไม่แน่นอนเวลาเรียนก็ทุกข์กับการเรียนเป็นจบเลียก็ทุกข์กับการหางานเวลาได้งานก็ทุกข์กับการทํางานกูอ้จะตกงานว่าะไรมันมีอะไรให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆ จนง ม, มีคนนอนอท้องเสีรรมทำน้อลายอาดถึงกูตาสวัสดใช่ไหความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปยุึดของที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหลายก็คือราดยศสารเสวนสุด น, นี่นะคมี ม, มีมีวิธีที่จะมีความสุขแบบไม่ทุกอย่างวิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับเราให้ทางทางรักษาสีอ่อนก็เลยก็เลย ตรวสอบดวแลราก็มีสี่ประพฤติแล้วก็ไม่ชาบทำบาปทานแล้วก็ทำตามโอกาสมีโอกาสช่วยเหลใครได้แล้วก็ช่วยไปภาวนาังไม่คอนะนั่นแหละลองภาวนาอภาะก็โชคดีอยากจะมีสติที่ที่ค่อนข้างที่จะดีพอแนั่งภาวนาข้างหน้าก็รู้สึกจิตก็เริ่มสบายจากความสงบเลินแรกน้อย ารู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกเล ห, หนั่งตอน ต, อนตอน้นรู้สึกคปนเจ็ปบปวดพอมีสติจดจอ่อเรากำบัิกรรมพักๆอาการเจ็ปบปวดก็หายไปอาการเครียดก็หายไปจิตเบาเย็นสบายขึ้นมาเอ้ดีเนี่หวะทำอย่างนี้มันมันมีความสุขกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองได้ความสุขที่ดีกว่าก็เลยสนใจอยากใชปฏิบัติให้มาก ก็เห็นว่าการทํา ง, งานมันมันมันขัดกันเวลาทํางานใจเครียดต้องใช้การคิดเวลาไปปฏิบัตินี่ต้องหยุดการคิดมันจะยานเครียดไ้ก็เลยรู้ว่าการทํางานนีกระดูกกระสับต่อการถอนอต่อการทําใจสงบแล้วเลยตัดสินใจออกจากงานพอาะจมีเงินเก็บไว้ก้อนไม่ในพอจะอยู่ได้ทั้งปี แต่เอาว่าเราปฏิบัติอยู่สักปีนี่เราค่อยว่ากันว่ามันจะมีอะไรก็ ว, ว่ากันไปถ้าตัต้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเก็บตัวอยู่ในวาดพอดีอยู่คนเดียวมีห้องแถวมีห้องหนึ่งไม่มีใครอยู่มีเราคนเดียวนก็เลยใช้ห้องแถวนั้นเป็นวัดไปเป็นที่ปฏิบัติการยังค น, นั่งสมาธิแต่ก็มีบางเวลาก็ออกไปทำงานบ้างและในทางด้วยก็ บาที่มันเดือดดาลจนไม่ไหวบางทีก็ออกไปบีงก็ไปถามมูลสงบตามชายหาดไปนั่งสมาธิตามชายหาดก็มีแต่ชายหาดที่ไม่มีกฎมากนั่งกลางแดดถ้ามันร้อนก็ลงไปแช่น้ำไม่เหมนเย็นพอหายอนก็จะกลับขึ้นมานั่งพอตอนเย็นก็เดจนกลับบ้านก็มีคํานี้บ้างก็มีไปนู่นมาที่บ้างก็มีไม่ได้ว่าไม่ได้ไปไหนเลยแต่ก็นอน พ, พยายามควบคุมบางอยางอย่างไเพราะรั่วไปกลับมามัน้าเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้กําไรหรือแตกร้าวทุนแต่บางทีมันก็ยังทนไม่ไหวมันก็ต้องหลุดไปออกไปนอกมตอนนี้นที่สุดก็เราก็ปีก็ต้องตัดสินใจว่าจะทาไงต่อท่อเงินหมดมนที่เยอะก็อยู่แบบนี้มันไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าไม่อยากบวยก็ต้องทํางาน ทำงานถึงจะมีเงินแต่ถ้าทํางานก็เวลาปฏิบัติก็น้ อ, นอยหมดเพราะงานเวลาส่วนใหญ่ต้อให้กับการทํำงานถ้าอยากปฏิบัติต่อก็มีทางเดียวก็ต้องบวชเพราะบวชแล้วก็มีไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสิบบวแล้วก็มีที่อยู่มีอาหา ร, ม, าหารมีฟรีทุกอย่างนั่นจมีเวลาได้ปฏิบัติเต็มที่เลยคิดว่าถ้าจะไปทางนี้ก็ต้องบวช ถ้าท่านใ จ, ใจก็ไม่อยากจะบวดเพราะกิเลสมันยังไม่อยากจะถูกจับขังอยู่งใ น, ในกรงการบวยชก็มัน จ, จับจับตัวเข้าขังในกรงเพราะบวชแล้วไม่ให้ไปไหนเนะี่ยห้าปรญสาร่างไม่ให้ไปไหนนะให้อยู่ใจในะวัดสําหรับวัดปฏิบัตินะนวัดเด็กเขาก็ปล่อยตามสบายจะไปไหนมาไหนเขาไม่ห้ามแต่วัดปฏิบัตินี่ยโดยเฉพาะวัดที่ไปอยู่วัดนการนี่ถ้าไม่นะ่ะ งัแ้แต่กิดนิมนต์ท่านก็ไม่ให้รับเพราะในวันนี้จะไม่รับกินิมนต์เพราะท่านไม่อยากให้ออกมาสัมผัสกับรูปเสียงกิจนิมนต์เพราะมันจะทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาแตยึดถึงรูปเสียงกิจนิมนต์นั้นคิดถึงก็อารมณ์เดิเดิมเก่าๆที่เคยติติดทันอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมางันก็เลยไม่ให้รับพรบ ร, บรับกินิมนต์ให้โยมละฆ่ามันซะ ก็ได้ภาวนาเนี่ยเป็นที่วแล้วก็รด้าวนาเป็ที่จ น, น, นสามารถควบคุมจิตได้อยู่ในระดับที่พอใจรเวลาท่านออกมอหลังจากอยู่กับท่านเจ้ารรษาท่านสารากรามาเยี่ยมบ้านครัง้งหนึ่งแล้วพอได้แปรรษาตรามายัางครัง้งหนึ่ง พอาด้เก้าพรรษาก็พอลาพอมีความความไม่สบายเป็นอะไรหนึงก็เลยลาท่านมาดูงามาอยู่ใกล้พ่อมน่นไม่ได้ดูแลท่า น, นมาอยู่ใกลใ้ก็เลยไม่ได้กลับไปไันแต่เลยวันนี้สนุกมากเ้ใจหเข<อ>้าใจขอบคุณพระอาจารย์เล่าประวัติให้ฟังเลยครับ <laughs> ยังผมยังเคยอ่านตอนที่พระอาจารย์ไปภาวนาอยู่ที่ชายทะเลที่ชายหาดแล้วพระอาจารย์เกิดความกลัวผมอ่านคว่าพระอาจารย์เกิดความกลัวผมก็ดีใจนะครับว่าโอ้ผมก็ไม่แปลกคือความกลัวพระอาจารย์ก็เลยผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นมันมันไปไมัอยู่บนเนี้ตอนมันค้างเกินบนเกาะอยู่ที่บนเกาะแล้วอย่างนนี้มันจะเรียบไม่ดี ตอางวันยังมีเรผ่านไปผ่านมาบ้างมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเฉพาะช่วงาวันแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอย่างกันเพราะตงเยนในี่มันเงียบแล้วเจ็ดตปุแต่มีคลายทะเลมีตัวอะไรโผล่น้าขึ้นมาโอ้ไยอ ไ, ด ไ, ด ไ, ไนะนนกลัวมันต้องมีภาวนาหญ่เลยอ่านะครับควากลพอความกลัวหายไปหรืว่าวามันเกิดจากความคิดมเาเน่ยเคิดตกแต่งแ้่บ้านเราพอแต่งทั้งหมา พอใช้สติภาวนาะทุกโธโถเรื่องดูลงหายใจเข้าออกจะไม่ได้เราแบบไหนภาวนา พ, นะพอจิตสงบปั๊กตอนนั้นเราภาวนาได้เราถึงไม่ค่อยกลัวแล้วเราเรื่องว่าเรามีเครื่องนล้ามผ่ากลัวไหมถ้าสิตจะเป็นอะไรนี่เร า, าสามารถภาวนาะอันนั้นเป็นกําลังใจมากเลยครับเวลาที่กลัวก็จะนึกถึงตอนนั้นครับอาจารแต่มันจะไปอยู่ที่เองนั้งรู้ว่ามีสติพอที่จะควบคุม ไม่สติแตกได้นะถ้าไม่มีสติบางทีก็จะสติแตกโคลแรงข้างวิ่งกระเดื่อง เ, อเปิดเปลือกอะไรก็มีครับอาจารย์ครับงัผมถามต่ออีกนิดนะครับพระอาจันหนังสือธรรมะเล่นแรกที่พระอาจารอ่านนี่คือเรื่องสติประฐานใช่ไหมครับอาจารย์ก็ น, นั้นนั่นเป็นหนังสือที่ได้เกี่ยวกับเรื่องไตรลักษหนึ่งอ๋อแอมแรกเป็นอ น, นังจริงพอดีเป็นหนังสือที่ทางกลุ่มของอกลุ่มของ พุทธภูมิผัวทพุทธธรรมของศิลปการเขาคือแจกเป็นนักเสียเล่เลเลเลมแร่ไม่ไม่หนามากประมาณยี่สิบสามสิบหน้าแต่เขาแจกฟรีแล้วก็มีเรื่องที่ต้องขั้นตอนมาจากพระใจไปแบบต่างๆในเขาขั้นเรื่องอนิจจารูปขังหน้าตาเป็นสามเล่มแต่เราได้เล่มแรกคืออนิจั์ อ่านแล้วมันก็ประทับใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเราเป็นคิดอยู่ตลอดเวลาเรื่องอนิจจ์เพราะเราเห็นสร้างศพให้คนตายตั้งแต่ตอนอายุ12ขวบมีเพื่อนที่โรงเรียนเสียชีวิตประจวบน้ำตายเราต้องไปงานศพเขาเขาเป็นเพื่อนเขาก็เปิดเขาก็เปิดฟ้าลงให้ดูศพเห็นศพแล้วก็พิจารณาเขากับเราก็คงไม่ต่างกันต่อไปแล้วก็มาเป็นเหมือนเขา นญาติน้องคนที่เรารักเขารบทั้งหลายก็ต้เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันคิดตั้งแต่ตอนนั้นมามันไม่เห็นความไม่เที่ยนแท้แน่นอนแต่มันยังไม่รู้จักวิธีว่าจะดับความกลัวดับความทุกข์ดับสิ่งานี้ได้แต่ร้ว่ามันต้องเกิดแต่ยังไม่รู้วิธีแต่รู้แน่ว่ามันต้องเกิดรู้ว่ต้องทําใจแ ต, แต่ยังยังก็ยังมีความไม่ตกนวลอยู่แต่ยังไม่ถึงกับอ่า ไม่เห็นหวาดกลัวทีเดียวนะแลก็พอจะทจําใจได้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจกับมันน่าแต่มันมีความรู้คิดอยู่ในนี้อยู่ในใจตลอดเรื่เรื่องของความไม่เทียงของทุกสิ่งทุกอย่างจนในที่สุด mm hmm. พอมาทํางานก็ทุกข์กับการทำงานรู้ว่างานนี้ก็ไม่เทียงจะจบเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ไม่รู้มันก็ขาวนอยู่นะทําอะไรก็ําวนความไม่เที่ยงแน่นอน ก็เลยมีคนนึกคนคุยกันก็เห็นว่าเราชอบคุยเรื่องเรื่องความไม่เทีท่ยงแค่แน่นอนก็เลยอาสิ่งเรื่องนี้มาให้าาแล้วผูจ้างสายอากาจ้าวเนาอยู่พ้นจากความเทีท่ยงแค่แน่นอนนัคือต้นงยอมรับ่แล้วก็ทำใจด้วยการทอนาทำาใจสงบอย่าไปต่อต้านความไม่เที่ยงแค่ น, ห น, หน่นนก็เลย ตือว่าต้องปฏิบัติแล้วพาตอนนี้เรายัางไม่ยามรับพลยต้องภนะาวาฝึกสมาธิก็เริ่มฝึกสมาธิอเองตนก็ยังไม่ได้ฝึกอ่านหนังสือเ่นี้ก็าชอบก็เลยเขียนสือไปขอเข้าไปที่ห น, นังสือแจกฟรีก็มีหนังสือที่ขายก็ม แ, แ, แล้วเวลาหนังสือเราได้เล่นเขาก็เขาก็พูดถึงเรื่องสติอยู่เรื่อยๆเรื่องการสติ แล้วก็มีนังเส้นเรื่องนักเส้นสถิติประธานสิ่งการเป็ น, นักเสที่ต้องซื้อเขาไม่ได้แจกอันนี้ก็จะนังเส้นที่คัดออกมาจากข้อสูตรแล้วก็มีการเอาคัดเอาเรื่องอาตาตาาัตติตฐานเรื่องอะไรต่างๆมาที่บารวิธีการปฏิบัติสถิ ต, ต, ต, นนถนนตถิประธานว่าสถิตปฏิบัติอย่างไรก็เลยสนใจเลยสั่งซื้อมาว่าว่าแล้วเข้าใจเอาเราต้องทําอย่างนี้ทํานี้ตามที่สถิติประธาน ก็เลยเริ่มปฏิบัติในขางมาจังตอนนั้นเริ่มเลาออกจากงานเริ่มปฏิบัติทามจริงมาจังแต่ตอนเริ่มต้นนี่อ่านหนังสืออยู่ประมาณสองเดือนสองสามเดือนยังไม่ได้นั่งเลยไม่ได้นั่งสมาธิเลยวันนี้วันหนึ่งมันชุกที่จะนั่งนั่นต้หละจะนั่งสักทีหรือไงเอาอย่างนี้เลยตอมนั่งเลยพอนนั่งมันก็มันก็ไม่ได้สัมผัสเฉพาะทั้งหมดพอสมวร มันก็นเลยว่านี่แหลเส้นทางที่จะแก้ปัญหาของความขมวดใจแบบนี้ทำไม่สบายใจแบีแ้เดี๋ยวว่ามันมันมันหายไปช่วงที่มันสงบนรอจากความสงบมามันก็นกลกนกน แ, แล้วขมวดแล้วแล้วคิดผึงแต่เราเรยว่าต้องสงบต้องมา ก, ก, มกาต้องสงบตลอก็ต้องมีทมาํางานิชย์อเราอะไาไาพัาาาสกสงบพรอาจารย์นั่งสงบ สมาวความสงบตั้งแต่การนั่งครั้งแรกเลยไหมครับอาจารย์ครับก็ครั้งแรกมันก็ยังไม่ถึงกับสงบมากแต่เมคร้าเสร็จแล้มันเย็นสบายพอยังนั่งไม่ได้นานแต่ทั้งต่อๆมาพยายามนั่งนานขึ้นมันก็เริ่มเกิดอาการเจ็บปวดขาขาต่างอะไรตามที่เรานั่งก็เลยใช้คำาิริกรรมวิธีกรรอยู่สักพักหนึ่งจิตก็สงบขึ้นมาอาการปวดก็หายไปก็เลยเกิดความรู้สึกว่าสันจังใจขึ้นว่า ทำรกากรรนี้สามารถทำให้จิตนี้ที่ดิ้นบนทีท่ทรมานนี่สงบนิ่งแล้วก็ทำให้ความเจ็บของร่างกาหายได้มันก็เลยเห็นความมาสใจของการปฏิบัติทาสัมผัสกับวัฒนธํามหนึ่งทงา ง, ทงนั้นอีทางนันก็เลยสงบแป๊บเดียวนะคริกาสมาธิแต่มันตื่นเต้นดีใจมัน ต้องก็หยุดพอนาหยุดตอนที่พอนบแล้วต้องกลับไปใหม่ต้องทำเพราะะนั้นยังทงานอยู่เาว่าต้องต้องฝึกให้มากขึ้นต้องเจริสติให้บ่อยขึ้นก็เลยวางแผนแล้วเขาบอกนาจ้างมาเขาต้องต้องแจ้งรูกแม่เดือนก็เลยบอกจะทำงานเดือนหนึ่งแล้วจะหยุดทำงาน เพราะตนทางจ้างที่ว่าพลาสเมลเราบ่าต้องการเอาเงินเดือนเท่ามันบ่าวมากเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นที่เราอยากจะออกเพราะเราอยากจะไปวสวายเท้าภาพสงบเราไม่เข้าใจใเมื่อไร่ใช่ครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเล่าได้รู้อีกหลายเรื่องเลครับผมอมาจารย์ครับนี้แสดงว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่เราก็เป็นบัวอยู่กลางน้ําครับ อ, อ่ายังดีครับยังถ้ายังถ้ายังมีเวลามาให้กับการทําบุญทำทานรักษาศีลกับภาวนาบ้านก็าถือว่าเป็นโทษทั่วการงานได้ถ้าไม่เอาเลยจะเอาจต่ทำงานฐาเงินฐานทองนั่งเงินมาก็ไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อคอนูดไปเที่ยวต่างประเทศอะไอย่างนี้ก็ยังห่างไกลจากจากจากจากแนวทางมันไม่ได้เป็นร่วการงานยังยังยังจะเป็หาของบูของกลาย กับ <c oughs> รครับผมกับคุณครูอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ขอถามคำถามจากเพื่อนบ้างนะครับคุณสมพรครับถ้าโยมเป็นคนรอบคอบในการทํางานกับเพื่อนร่วม ง, งานมากไปเช่นว่าทํางานเสร็จต้องปิดไฟปิดปั๊บไฟอุปกรณ์ต่างๆในขณะที่คนอื่นๆไม่ได้สนใจสิ่งนี้ปัดกันแล้วเดินออกจากห้องทํางานโยมต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรต้องใช้ธรรมะข้อใดครับก็ใช้ใช้แต่ถ่าเราทําดีแล้วก็ได้ดี คนนี it. It well. well. well. well. well. it it ้ไม่ทาดีเขาก็ไม่ได้ดีทันเองเขาคิดอย่างนี้อย่าไปสนใจกับเขาเรื่องพว่นครับเนี่ยเราก็จะเราก็จะเคว้ได้เราเราชอบทําดีแต่คนนึงเขาไม่ทําดีเพราะง้ก็ทําไม่ดีเรา็เลยคิดว่าเราขาดทุนคิดแบบนี้ไม่ถูกแล้วเราคิดว่าการทําดีของเราเป็นการเป็นการเป็นกําไรเป็นการให้กําไรกับตัวเองส่วนคนที่เขาไม่ทํำงานดีเขาก็ไม่ได้กําไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง ของของเราที่จะต้องไปคำนวณกับเขาเราให้เราทําความดีของเราไปเป็นประโยชน์กับบริษัทถ้าเป็นงานเป็นเป็นของเรามันก็เป็นเป็นประโยชน์กับเราถ้าเป็นบรนิษัทของเราหร้อก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมช่วยประหยัดไฟฟ้าลดลดภาวะความร้นนอนของนอกไหนือที่เป็นในมุมรวมอย่าไป ม, มองว่าคนอื่นเขาไม่ทําเราทำํำคนเดียวเราขาดทุนนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่อยากจะทํา ทำดีต้องน้อยคนหนึ่งที่ำความดีต่อนยังจะทำทำยจะมีดํ ก, ก, กนลังใจนะครับก็ <Okay. S 1> ให้มองคนที่ก็ทําความดีตลอดเวลามองพระพุทธเจ้ามองพระหลานสาวกทั้งหลายท่านนีแต่ทําความดีทําประโยชน์ให้กับโลกแต่ไม่ได้หวังคนตอบแทนจากการทานะทความดีของทา่านคุณก้องครับกรรมวัชการพระอาจารย์ครับ การที่ผมอยากเลี้ยงสุนัขสัตว์ที่อดอยากหรือเลี้ยงเพราะความชอบและให้เขาอยู่ในบ้านเราดูแลอย่างดีแบบนี้เท่ากับทังเขาไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีกรงหรือเปลาถ้าเราล็อกเขาปะถ้าเราไม่มีกรงไม่มีอะไรก็าปล่อยก็เป็นสวรรคเขาอยากจะออกไปเมื่อไหร่ก็ไปเขอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็เข้าไามัก็ไม่ได้เป็นการขัดขวางแต่ถ้าเรามีเชือกผูกล้ามเขาไว้หนือมี กงหรือว่ามีประตัูกันไม่ให้เขาออกไปนี่มานี่เห็นไมเราอาจจะอ้างว่าเพื่อไม่ให้ไปสร้างปัญหาไปกัดคนอื่นหรือไปอะไรมันก็ยังเป็นการจัดขงังอยถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกไงถ้าเราถูกพ่อแม่ถ้าไม่ให้ออกนอกบ้านใ่้อยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาต้องคิดถึงโลกเขาโลกเราในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมันมีอย่างมันเสียอย่าง จะมีความเมตตาจริงอยู่เลี้ยงมันสงสารมันไปแต่ขนาดเดียวไปขังมันด้วยยึ่งสัตว์ที่แพงๆนั้นแล้วก็แล้วก็ยึดติดแล้วก็หวงเนี่ยไม่อยากให้มันหายไปก็ต้องมีอะไรคอยขังคอยกั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้มันหายไปอันนี้ก็เป็นการกักขังเขาถ้าเมตตาจริงเมตตาแบบต้องปไหวยวางเนะมตตาแบบ เลี้ยงเขาแล้วเขาจะอยู่เขจะไปก็เป็นให้ก็ตัดสินใจของเขาองให้เขาไม่อยากจะอยู่เขาจะไปเขาไปเขาไปเราจะไม่กิดกั้นเขาถ้ากลับมาแล้วก็เลี้ยงเต่อให้เขไปแล้วไม่กลับก็ถือว่าเข้าไปดีแล้วก็มีความสุขนะคุณปิยะนันครับเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตเศร้าหมองเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสติ นั่งแบบไม่มีนนสติมันก็เศร้าหมองน่เพราะจิตปรุงแต่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าหมองนะคิดตามี่เลเลานั่งอย่าให้อย่าปล่อยให้ใจคิดเป็นนันขาให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธเปีนอย่างเดียวไละอยู่กับการเข้าดูโลภะจัดเข้าคุณนัทธาครับทำคืออะไรครับอาจารย์ ก็ทํานี่เป็นคํนกากลางๆในความหมายหลายอย่างด้วยครับความหมายนี่ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกคํามหมายหนึ่งเอาไว้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียกว่ามองเรียกว่าเป็นคําสภาวะธรรมธรรมชาติทั้งหลายอีกมันหนึ่งความหมายที่ว่าต้องดูเวลาที่มันพูดหรือเวลาที่ใช้ว่าเขามีความหมายในลันกษณะใดทำตั้งปวงไม่เทียมทาตั้งปวงเป็นอนัตตา อันนี้ลูกจ้างหมาย ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เรียกว่าเป็นธรมนนนนยยรมฝนได้ใบหญ้าภูเขานมทัศน์ดแดดออกผนต่อะไรนี้เรียกว่าเป็นธรรมนะคุณพี่โกครับเรียนถามครับความคิดที่ปรุงแต่งออกมาผิดๆไม่ตรงกับความจริงเราควรแก้ไขอ ย, อย่างไรครับเพื่อแก้ไขโดยการ ต, ต้นก็หยุดมันก่อน คื่ถ้ามันคิดมาแล้วถ้าเราสอนนันได้มาสอนมันอันนี้ไม่จริงถ้าเป็นมองว่าสิ่งที่จะให้ความสุขเราบอกไม่จริงหรอกเพราะสิ่งที่จะให้ความสุขเรานี่นะับจะให้ความสดชั่วคราวแย่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเพราะทองทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาเวลามันเปลี่ยนไปสังเกตุชื้อของมันใหม่ๆโอ๊ยนะมันชอบมันพอใช้ไปใช้ไปพอมันเก่าแล้วบางทีก็เริ่มเบื่อมัน อันนีกต้องพิจารณาความไม่เทีย่ยงทั้สิ่ง์ทั้งอยา่างพ้องพิจารณาไม่มีอะไรให้กับสุขนาอย่แท้จริงถึงเรียกเรื่อว่าเป็นคิดตรงกับควา ม, มจริงเราใช้คิดในเรื่องตายรักนี้คุณสมพรครับการที่คนในยุค ป, ปัจจุบันดูเหมือนจะไม่เหมือนคนยุคก่อนอะไรทําให้คนมีนิสัยต่างไปจากคนรุ่นก่อนครับส่วง น, นี้ก็การอยู่สิงร้านน้ำเนี สแวล้อมของสังคมคนยุคก่อนนี้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ายุคนี้ก็มีคนใฝ่ธรรมคนสนใจศึกษาธํามพ่อแม่คนสนใมญ่จะเข้าวัดก็เข้าวัดกันความเทศดธรรมธรรมกันเป็นปกติรักษาศีลการเป็นปกติ ก, ก็ เ, กกเลยอบรมสัม่งสอนลูกๆให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเลยแต่ก็ยุคหลังนี้เริ่มมีการจเจริญข้าวหน้าทรรวัตถุมากขึ้น มีการใส่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลต่างชาติมากขึ้นนี่ที่ประต่างชาตินี้มักจะไม่ค่อยมีสิมีธรรมกันน่กจะมีแต่เรื่องจีเลย์ปัญหาต่างๆปาถือว่าปาถือว่าเป็นสังคมเสรีน้ำมันเสรีนี่ต้องเป็นอิสระใครอยากจะทําอะไรผิดถูกดีชัไม่สําคัญต้องปล่อยให้เขาทํา ก็เลยยิ่งทําส่งเสือแม่งคนอยากจะทําของแปลกๆชั่วๆกันเพราะทําแล้วมันเด็ดมันดังข mm ึ hmm. ้นมาก็าเลยกลายเป็นสังคมเรีนเมียแบบสังคมที่ไม่ดีอิทธิพลที่ไม่ดีใน mm hmm. ยุคนี้เขาเน้นการเรียนมากจนกระทั่งไม่มีเวลาให้ให้เข้าวัดเข้าอากแล้วก็ห้ามสอนเรื่องาศาสนาในวัดเพราะถือว่าเป็นเป็นการอ่ า, าศาสนามามา มามองมาแล้วก เ, เด็กที่เรียนหนังสือก็อาจจะนับถือศาสนาอื่นก็ได้ก็เลยเ้าเลยห้ามไม่ให้สอนเรื่องศาสนาในในในโรงเรียนไม่มันสมายก่อนในโรงเรียนทุกโรงเรียนนี้จะมีการสอนเรื่องพุทธศาสนาสนพุทธประวัติวันพาะก็ให้เด็กไปเข้าวัดไปขอสิ่งไปทำธรรมจากพระกันแต่สมายนี้มันไม่มี เด็กก็เลยไม่รู้เรื่องราวต่างๆเรื่องที่ควจะรู้เรื่องความประกันอยู่กตัตเวทีเรื่องสัมมาคารวะให้รู้ว่าสังคมเราอยู่ในโลกที่มีสมมุติมีคนมีสูงมีต่ำไม่ใช่เท่ากันหมดหรือม้จะเป็นมนุษย์นแต่เป็นมนุษย์ที่มีความมีคุณมีประโยชน์ไม่เท่ากันคนที่มีคนประโยชน์แล้วก็ยอ่ยอกยออ่อมเขากับคนที่ไม่มีคมุณไม่มีประโยชน์ คนที้เีโทษเราก็เราก็ต้องกำจัดเขากำจัดทำเขาแยกก็ออกจากสังคมอะไรทำนองนี้ไม่มีการเรียนไม่ไม่มีไม่รู้คุณธรรมแปดเจ็ดข้อด้วยกันที่วันก่อนแสดงไหมคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ความประมาณอันนี้แหละเปสิ่งที่ควรจะรู้กัน ารา้นะมันจะทำให้สังคมนี้อยู่กันอย่างมีความสุขมีความเคารพกั น, ร, กนรักกันเมตตาต่อกันคุณวีนาครับถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นบัวใต้น้ำต้องปฏิบัติอย่างไรให้ตัวเราเป็นบัวพ้นน้ำคะตอนนี้เราทำบุญทาบุญทำทานได้อย่างสมบายๆไหม ทำให้ตอนนี้เข้าพรรษาก็ลองอธิษฐานจิตดีว่าต่อไปนี้จะทําบุญทุกวันทําวันระบาดก็ได้ทําตามกําลังของเราเร า, เรามีคิดว่าเราทําได้วันละกีต่ตังหรือหัดทําให้มันเป็นนิสัยะวิธีทําง่ายๆก็เอาเงินใส่กระปุกไปว่านี่คือมาทําบุญไม่แตะต้องแล้วเวลาที่มีมีเวลาที่มีคนเข้ามาเรียกรายเรื่องเวลาที่เราอยากจะร่วมทําบุญกับใครแล้วก็นั่นก็นี่ไปทําุได้เป็นนาที มีเพื่อนลูกเขาบวชอย่นี้เราก็ไปร่วมงานบุญเราก็เอาเงนินนี้ไปไปร่วมงานก็ได้หรือเขามีงานทอดกระถิ่นทอดท่ดาป่าหรืองนานอะไรสารพัดบุญต่างๆหรืออาจจะเป็นงานอย่างอื่นก็ได้เช่นโรงพยาบาลเขาอาจจะต้องการซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง ม, มืออะไรแล้วก็ร่วมเอาเงินนี้ไปร่วมบริจาค ก, ก็ได้ถ้าเราไม่สะสมไม้พอจะทําบุญแต่ละครั้งมันจะทํายากเพราะมันเป็นก้อนใหญ่ อย่นัถ้าเราสะสมมันลำบากไม้มันง่ายนะมันลำบากอยู่ใสกระปุกไว้ใส่กระปกไว้เดือนหนึ่งก็ได้สามสิบบาทนะปีหนึ่งก็ได้สามร้อยละเวลาจะทําบุญก็ทําได้ไงถ้าเรายังไม่เคยทําบุญป็นนิสัยหัดทำบุญให้กันนิสัยทําบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญที่ไหนที่เขาเดือดร้อนตบทุกได้ยากเดือดร้อน่งทำความช่วยเหลือก็ทําได้ใชนไหม ไม่จำเป็นจะต้องทอําแบบว่าเร่องอย่างเดียวแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องนึกถึงวัดก่อนพอว่าเป็นที่พึ่งของเราวัดเป็นที่ศึกษาที่เราจะนั่งเรียนถ้าไม่มีวันเราก็จะไม่มีใครมาสอนเราได้แต่ถ้าคิดว่าทําวัดเขาพอเพียงแล้วไม่เดือดร้อนะแล้วเราก็ไปทำที่อื่นนะไม่ห้าวการโรงเรียนขาดแคลนก็มาเชื่อมโรงเรียนอย้าวันก่อนโรงเรียนเดืดอดร้อนที่สุดเขาเดือดร้อนไม่มีผ้าดอง พ่องยิงเขาลอนคขามาขอท่านสมยักสองตัวมูลละแสนห้าแล้วบริบบจาคเข้าไปครับก็ได้ช่วยน้องเรียนช่วยคนยากคนจนช่วยเด็กอะไรต่งางๆได้ไมันจําเป็นจะต้องทําบุญกับวัดเสมอไปแต่เราต้องทําเพราะมันเป็นการกระทําที่ดีสําหรับจิตใจเรามันเป็นการปฏิบัติขั้นต้นขั้นที่หนึ่งของการที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ถ้าไม่เคยทําบุญทําทานเลยก็ทําเสช่นเราจะได้พ้นจากดัวขั้นที่สี่จากคนตมขึ้นมาอยู่เป็นดัวกลางน้าได้ <Okay. S 1> แล้การหายปัญหานี่ก็ลองสมาทานสินห้าทั้งปรรษาอยู่ต่อไปนี้จะรักษาสินห้าทุกวันนี่คือการยกระดับจิตของเราให้ขึ้นไปเป็นบัวที่สูงกว่าที่เราเป็นอยู่สมมุติว่าเราไม่เคยรักษาศินเลยหรือว่าเราไม่เคยทําบุญทำทานเป็นกิจารักษณะ ทำเพราะเป็นโอกาสเช่นวันเกิดบ้างปีใหม่บ้างไม่ถือว่าเป็นการทําเป็นกิจจาลักษณะาการทํำบุญในกิจจาลักษณะมันต้องทําเป็นนิสัยให้ได้เป็นนิสัยสีก็ต้องรักษาให้เป็นนิสัยก็เร่ากนีจจะสีงั้นก็ลองทํำดลูลองตั้งหลักฐานอันนี้ก็ิเข้าภาษาใหม่ๆยังตั้งได้อยู่ว่าภาษานี้จะทําบุญทุกวันแต่วันละกี่บาทก็คําหนดแต่ละแต่กาลังของเราใสา่ มีเศษบาทเหลือกลับมาเศษข่าบาสก็ใส่กระปลูกไปแล้วแต่เราอยากจะทําเท่าไหร่ก็ทําไปแต่ให้ทําทุกวันมจะได้ติดเป็นนิสัยรักษาศีลทุกวันให้มันติดเป็นนิสัยไปแล้วก็ภาวนาทุกวันให้มันติดเป็นนิสัยไปทําอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นบวกกลานะครับแล้วพอเห็นว่าดีก็อยากจะทํามากขึ้นวันพระก็อาจจะไปอยู่วัดมากไปถิอศีลแปดไปภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนแล้วเพิ่มไป แล้ต่อไปพอพอนามากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็อาจจะต่อไปอาจาอาจะไปบวชในก็ได้คุณปียนานครับเราปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเราทุกน้อยลงแสดงว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าใหมค่ค่ะใช่การปฏิบัติธรรมก็เพื่อการบําบัดทุกข์นี่ากาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราให้ลดน้อ ย, อ ย, อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุด คุณสุทธาทิตย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งในฐานะผู้รักษาทั้งภรรยาหลวงและภรรยาน้อยปางมีทุกข์เราควรแก้ไขทางธรรมเช่นไรคะมีภรรยาทั้งสองคนมีทุกข์รร น, ะนะครับ่านแต่งงานนะครับก็ก็ถือว่าถ้าเป็นภรรยาก็ดูแลให้มันเท่าเทียมกันนะครับเขาขาดแคลนอะไรก็ดูแลเข้าไปแต่มันผิดศีลน่หะเพร เนยมันเรามาสร้างภาระให้กับตัวเราเองโดยโดยโดยไม่โดยไม่มีความจำเป็นมีคนเดียวพอแล้วสองคนมันก็ไม่ต่างกันหรอกแ้่กรมีสองคนมันก็เลยต้องมีมีมีมีภาระที่จะต้องแบกสองเท่าถ้ามีคนเดียวก็มีภาระเท่าเดียวแ้้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระหองละแห่งการระหว่างภรรยาทั้งสองคนก็ได้ เป็นอันนี้ถือว่าผิดศีลแล้วนะทางศาสนานี่สองสองนี่เรามีหัวเดียวมีเดียวถ้าไม่แบบไม่ผิดโรยนี่จะได้ไม่ก็มีปัญหาภาระ ก, ก็จะได้ไม่มากถ้ามีสองคนก็ต้องดูแลเขาเท่าเทียมกันนะถ้าเราถือว่าเข้าเป็นภรรยาเราไม่ว่าจะเป็นหลวงก็น้อยมันกเป็นภรรยามกันก็ต้องดูแลกันไปเท่าเทียมกัน แต่ทางทำก็คือต้องเลิกต้องเลิกเับคนนดยคนเลยเอย่าเาสองคนเลยข้อที่สองครับนี่ถามคําถามนี้เลยพอดีครับเมื่อเราเห็นทุกแล้วเราก็เลิกเป็นภรรยาเป็นโสตดีกว่าไหมคะจะเป็นส่วนได้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีภาระกับกับคู่คอรองครับเวลามีคู่ครองมันก็ต้องมีเรื่อ ง, งเวลาการหัวของลายหันกัน ไม่ความคิดไม่ตรงกันทะเลาะกันอะไรกันน้อยเนื้อตับใจแล้วก็มากอ้วกมากังวลกันถ้าเขาดีก็าห่วงเขากลัวเขาจะไปนอะไรไปถ้าเขาไม่ดีเขาทุกเวลาเจอเขาเขาทุกนั้นไม่มีเสี้ยนจะดีกว่าความสุขที่ได้จากเขาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้จากเขาจากการเี็นเขาคุณอับสรครับอยากทําบุญไม่ได้ไปโอนเงินทําบุญได้ไหมครับ ได้ก็เหมือนกันหมุ น, นไปที่ไหนก็ได้หมุนไปที่โรงพยาบาลโรงเรียนที่ไหนเขาขาดแคนต้องการความช่วยเหลือเราก็หมุไปคุณสุพันธีครับจากสวีเดนครับอยากรบกวนถามเรื่องการนั่งสมาธิกับสวดมนต์ถ้าให้เลือกจะทําอะไรดีกว่าครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสมาธิในในเบื้องต้นก่อน คือการฝึกสติบางทีเวลานั่งสมาธิเราไม่สามารถนั่งนั่งได้ใจเราคิดฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั่นเรื่อง น, น, นี้ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจไม่ยอมอยู่กับพุทโธ ก, การเขาก็จะมีอุบายให้ใช้การสวดมนต์ดึงใจให้หยุดคิดฟุ้งซ่านเพราะถ้าเราจดใจอ ย, อยู่การสวดมนต์เราก็จะไปคิดเรื่งนั้นเรืง น, น, นี้ไม่ได้พอเรารู้สึกว่าใจเราเริ่มสงบไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วเราก็มานั่งสมาธิต่อ ถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้อ ง, องส่วนหมดก็ได้นั่งสมาธิไปเลยคุณ พ, พรภัดครับถามพระอาจารย์ครับว่าผู้บรรลุพระโสดาบันจะยังมีอารมณ์โกรธไหมคะก็มียังมีความอารมณ์โกรธมนะีอารยู่เพราะยังมีความอยากอยู่จะไม่มีโกรธก็ต้องเป็นพรนะอรหันต์นั้นมีตัดความอยากให้หมดไปจากใจความโกรธเกิดจากความอยาก พอไม่ได้แล้วดังใจอยากก็โกรธใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความโกรธไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทําให้โกรธได้พระอนาคามีก็ยังโกรธอยู่ใช่ครับก็ยังโกรธยังโกรธนั่งนั่งนี้อยู่ยั ง, ย, ง, ย, งยังอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่คุณสุธีรัตน์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับพระไตปิดกฉบับ ป, ประชาชนดีไหมครับก็ดีเป็น เป็นการรวมรวมเนื้อหาสาระของพระต่ายปนเดก็กซึ่งก็อ่านแล้วก็พลิดเพลินดีโดยเฉพาะบนนํตาต่างๆนี่เขาจะเขียนให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาความเป็นไปของของพระต่ายเป็นกมันมาอย่างไงแล้วก็มีคําสอนแบบแบบสั้นๆของพระพุทธเจ้าใส่ไปในนั้นด้วยเราเคยำรำม่านอยู่เราอ่านแล้วก็รู้สึกพลิดเพลินดีแต่ไม่ได้อ่านทั้งเล่มนะนเฉพาะช่วง หน้าแรกๆที่เข้ามีการแนะนําประวัติต่างๆได้รู้ความเป็นมาของพระต่ายเปเดี๋ยวว่าเป็นงานอย่างไงไปอย่างไรอันนี้แต่ก็ไม่ได้สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาเลยเขาไม่ต้องอ่า น, นาดีแต่ถ้าต้องการจะปฏิบัติจริงๆเขาไม่ต้องอ่านก็ได้พระต่ายให้เรียนให้รู้แค่สามอย่างนี้ให้รู้วิธี การทำบุญทำทานให้รู้วิธีรักษาสิ่งให้รู้วิธีภาวนาครอบครัวเทำการจะปฏิบัติเพื่อดับความทุกอันนี้เป็นความความความความรู้เสริมสชมากกว่าถ้าถ้าถ้าปฏิบัติจบแล้วไม่มีอะไรจะทำก็เอามาอ่านมันก็เพื่อเพื่อนี้จะได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนามากขึ้น แต่มันอาจจะเป็นอุปสรรคถ้าเราตั้งเป้ า, า, ปาปกกว่าเราจะมาปฏิบัติพรไตรปิฎกให้จบก่อนเราแค่ปฏิบัติให้เรื่องระหว่างปฏิบัติเลยกับอา่านพระไตปิฎกก่อนนี้ยเราบอกว่าปฏิบัติเลยกีกว่าอยกต้องให้รู้ว่าวิธีปฏิบัตินี้มีอะไรบ้างเช่นทำทานอย่างไรรักษาศาีลอย่างไรแลร้วก็ภาวนาอย่างไรให้รู้แค่นี้ให้เรียนแค่นี้ก่อน คุณสมพรครับในทางพระพุทธาศาสนาการปฏิบัติตัวในการเข้านอนแต่ละวันควรเข้านอนและตื่นนอนกี่โมงพอมกับขอขันธ์นครับเราสำหรับพระพระพุทธเจ้าบอกให้นอนตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วให้นอนสี่ชั่วโมงเวลานอนได้นอนในท่าตะแคงขวาท่าเสียสญญายะนอนก็เพราะเป็นท่าที่จะมีสติพรอที่จะเตะเวลาเตะที่นอนพอที่จะลุกขึ้นม า, า, นนมาปฏิบัติ ให้นอนไม่เกินสีชั่วโมงนอนสี่ทุ่มเ็ตื่นทีสองตป่นข้นาก็ให้ปฏิบัติต่อดำรงจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสว่างหกโมงก็ออกมินสบาลฉันเสร็จก็กลับมาเดินจงมนั่งสมาธิจนถึงจนถึงบ่ายค่าทํากิจวรอย่าลืมปัดกวาดอาบน้ำอาบท่าพอเสร็จก็เดินจงกมนั่งสมาธิถึงสี่ทุ่ม คุณโรสครับกาลเลนธาผ้าจาย์ครับคนที่บรรลุโสดาบันแล้วรับประทานอาหารรู้รสอร่อยไหมคะแล้วคิดอยากจะรับประทานอาหารที่ชอบไหมคะยังติดรูปเสียงกินรอดอยู่ยังไม่ได้ละยังไม่น่าละกาลตถาดายังติดอยู่เคืออยากกินอยู่ใช่ไหมคุณกาาเลนธาอยากกินอย่างไรอยากจะหากินหดน่อยที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําผิดศีล อยากจะอยากอยากจะนอนกับไทรก็ไม่ไปนอนกับสามีภรรยาคุณคนอื่นใครจะนอนกับคู่คของตัวเองคุณพารัตครับกลับนักวิชาการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าการใช้สติดึงจิตใจตัวเราเองให้ออกจากความทุกข์นาพาชีวิตไปพบความสุขสงบสดใสได้อย่างไรครับต้องทำํำดูเลยของนี้มันมันูจะอธิบายยังไงต้องทํำอยู่เราใช้สติหยุดความคิดหาดให้ใจเราคิดถึงเรื่ราวต่างๆ แล้วก็นั่งสมาธิดูลงหายใจเข้าอยากคิดอยู่แต่ลงไปหรือพูดโทรไปเดี๋ยววัจิตหยุดคิดก็จะพบกับความสงบที่เกิดขึ้นอาจารย์ครับตอนที่ดูลงอยู่นี้เห็นแต่ลงนี่คือยังมีความคิดใช่ไหมครับอาจารย์ก็ความคิดมีตรึกมีตรองเลยซึ่งเป็นมู้สึกว่ากาลังจะแรงฌานขั้นที่หนึง่งฌานขั้นนั้นอย่งมีตึกมีตรองละอวสัตวั้งหนึ่งมันก็นจะเริ่มมีปิติมีสุตตา ม, มา เวลาจิตมันเริ่มสงบมันเริ่เข้าสู่ความสงบยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่ถึงขั้นเบิกขาแต่มันก็จะเริ่มเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเดินเข้าสู่ไปในถ้ำทีละก้าวทีละกา้าวแต่บางทีก็อาจจะเข้าแบบพวดพลาดก็มีบางคนรักสติดีๆไหวคำพุโทโธพุโทโธอยู่แปบ๊บหนึ่งมันพูดเข้าไปในฌานสีเลยก็มีคุณอนัญญาครับ พระอริยะที่ยังไม่ตายสามารถมีพระธาตุออกมาจากร่างกายได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกบบนันแลก็มีคนเชื่อได้บางจะไปขอเส้นผมของครูบาอาจารย์ขอฟันของท่านอะไรอย่างนี้ที่ว่ามันจะได้กับมันจะอาจจะเป็นพระธาตุขึ้นมาไมได้คุณเก้าเดินต่อไปครับสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งการทรงฌานในชีวิตประจําวันสามารถทําได้อย่างไรคะ่ะอในชีวิตประจําวันนี่ทำไม่ได้เลย ถ้าเป็นถ้าเป็นคาราบุ้งคองเรือนนะต้องเป็นนั่บวชอยู่คนเดียวเปรกเว้ยแม่ไม่ยุ่งกับใครเนี่ยแล้วมีการเจริญติอย่างสม่ำเสมอมีการนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนั้ น, นถึงจะสามารถสงฌานได้นะถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ต้องคิดเรื่องนั้นคิดนีนนน้ไม่มีทางที่จะสรงฌานได้ ข้อที่สองครับหลังเลิกงานเวลาทําสมาธิจะเผลอหลับทุกครั้งเลยค่ะต้องแก้อย่างไรคะมันแก้ยากเพราะว่าบางครัการทํางานกับการฝึกสมาธิมันไปคนละทางเพราะเล้วทางานมันก็เหนื่อยแล้วงั้นบางทีก็อยากจะหลับพอนั่งเฉยๆพอจิตไม่ได้คิดอะไรทั้งตั้งมั่งเค่วงก็หลับได้แล้วยิ่งใช้ว่ามานั่งตอนที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วยิ่งยิ่งอยากยิ่งง่วงใหญ่เลย แล้วมันมันชีวิคารวาสกับการภาวนาเนี่มันไม่ค่อยไปด้วยกันไปด้วยกันได้ยังต้องลอาทำวันหยุดทํางานเดวจะดีกว่าวันหยุดทํางานลองถึงศีลแปดดูนะไม่กินข้าวมันเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยวตอนบ่ายตอนเย็นมันสมาธิมันจะไม่งงข้อที่สามครับถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องคอยเติมสมาธิตลอดเลยใช่ไหมคะ ก็ต้องเตือนทั้งสองอย่างทั้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยพระอาหานต์ต้องนั่งสมาธิไหมครับพระอาจารย์ครับท่านนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ท่านนั่งก็เป็นการพักผ่อนพักผ่อนในเรียวหมดพักผ่อนกายพักผ่อนใจแต่ท่านไม่ได้นั่งเพื่อเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อดับความทุกข์เลยไม่มีควาทุกข์ให้ท่านดับ คุณกมลรถครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้ายังตัดอะไรในลูกเมียไปบวชไม่ได้แต่อยากจะประลุทมจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องเลือกเอาละมันจะทั้งสองย่างไม่ได้นะ้็เราอย่างใดอย่างหนึ่งเาเทั้งทางโลกเอาทั้งทางธรรมนี่มัไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นคนละทางกันอันนี้ รุ่น้องผมครับอาจารย์เทวจเจสดาเป็นหมอสันสมองเหมือนกันครับอาจารย์ครับทุกวันนี้คนเราบัวที่เคยพ้นน้ำแล้วก็กลับมาจมน้ำได้ไหมครับขอพรอาจารย์แนะนำครับยากยถ้าพ้นถ้ามันกระพมันมีแต่จะไปข้างหน้าไม่มันถอยกลับคุณพีระครับ น้องปรับเปี่ยนถามอาจารย์ครับทำคะแนนสอบได้ไม่ดีแล้วเครียดมาหลายวันพยายามใช้ปัญญาสอนใจว่าเป็นเพราะความอยากได้ของเราแต่มันก็คิดฟุ้งซ่านผิดหวังอยู่ตลอดแบบนี้เราควรทําอย่างไรครับอาจารย์เหตุผลว่านะมันยังไม่ยอมรับเราก็ต้องหยุดมันหยุดการคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆให้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่าให้มันคิดถึงเรื่องสอบเรื่องผลของการสอบให้หยุดคิดก่อน กพราะกำลังของอุเบกขาเราไม่มีถึงแม้เราเรารู้ว่าความคิดความอยากมันเป็นตัวทําให้เราทุกข์แต่เราไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดความอยากเราไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาหยุดมันก่อนโดยการบริกรรมพุทโธพุทโไปก่อนคุณชุรีรัตน์ครับกล่าวนักชการพาาระอาจวุโสขาขณะนั่งสมาธิลูกเรียกแม่เพราะลูกไม่ทราบว่าได้นั่งสมาธิต่อลูกจะเป็นบาปไหมคะ อ๋อไม่หรอกเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาจะทำไปตามกระแสกระแของเขามันไม่มีเจตนาแล้ถึงแม้มีมีมีมมมเจตนาจะเรียกก็ไม่บาปเพราะมันไม่ได้มีการกระทํำบาปมันเป็นเพียงแต่เปการลบปวดมันเป็นการไปทําให้การทําสมาธิของแม่ต้องชนะกบำบัช่วทางก็สอนก็ได้ก็บอกก็ได้ต่อไปได้ เ, ม, ม, ม, เ, เ, ม, ม, เม่นั่งสมาธิลุกเหยียบขึ้นมาเรียกง่ายนะ สอได้เขาพูดให้อยูด้วยกันต้องรู้จักวิธีสอนบอกกันได้คุณสาครับการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาอยู่ในสมาธิสงบสบายใจดีแต่พอออกจากสมาธิเจอโลกข้างนอกแล้วหุดหงิดแบบนี้ติดสมาธิหรือเปล่าคะเราไม่ติดอะมันเป็นความจริงเวลาอยู่ในสมาธิก็เหมือนอยู่ในห้องป ร, ปรับอากาศเราออกจากสมาธิมันก็เหมือนออกจากห้องปรับอากาศมันก็รอนอะไ่างนจะเป็นธรรมดานิ ติดสมาธิก็ไม่เสียหายถ้าอยากจะกลับเข้าไปในสมาธิก็ดีถ้ากลับเข้าไปได้คุณกมลรถครับกลับเรียนพ ร, ระอาจารย์ครับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนถ้ามีความเพียรพยายามจะสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้หรือต้องบําเพ็ญเป็นหลายร้อยพันชาติจึงจะบรรลุธรรมครับก็อย่างพระเจ้าบอกว่าถ้าสามารถเจริกสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าฌานได้เจริกปัญญาได้ไม่เจ็นเดนือน ก็เปีไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปียอมบรรลุธรรมได้ทำในขั้นสูงสุดกับขัข้นบระอานนะาคตครับคุณตั๊กครับถ้าทำสมาธิแล้วไปเห็นสวรรค์และพบเจอบรรพบุรุษจะดึงตัวเองกลับมาสมาธิให้นิ่งได้อย่างไรเจ้าคะก็ใช้สติไงถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะมีสติดึงจิตให้กลับเข้ามาอยู่ในสมาธิได้ ตอนที่เราปล่อยไปเพราะเราไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ควบคุมมันครับคุณปุญญาชาครับน้องกับนวัตการพระอาจารย์เจ้าขาวเวลานั่งสมาธิเมื่อสงบแล้วจิตวางอุเบกขาได้ไม่มีความอยากใดๆนิ่งสบายมากคะ่ะแต่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิความโกรธมักจะเกิดกับเรื่องที่ไม่พอใจดําเดิมซ้ําๆทั้งๆที่ก็พยายามเตือนตัวเองว่าโกรธคือโง่จะโกรธทําไม อต่ยังละได้ยากมากค่ะก็ควรขอคาแนะนําและอุบายให้ละความโกรธให้เร็วจากอาจารย์เจ้าค่ะครับก็ต้องใช้ปัญญานี่ยให้รู้ว่าความโกรธมันเกิดจากความอยากเกิดจากความหวังอยากได้หรือหวังอะไรพอมันไม่เป็นไปตามความอยากไม่ตามความหวังแมัวก็โกรธต่อไปเราก็อย่าเราก็ฝึกสอนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปอยากได้อะไรจากใครใครเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไป ดีเรื่อช่วถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็เริ่มทํามฝ่ายก็ทําไปถ้าเราไม่หวังแล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธเขาอย่าไปหวังอย่าไปอยากเอาวังความอยากเวลาผิดหวังเวลาไม่ได้ตังใจอยากก็จะโกรธจะเสียใจเท่นั้นเองให้ยินดีตามตา ม, ตามีตามเกิดเขาชมเราก็ได้เขาด่าเราก็ได้ทําได้นั้นทำใจได้นั่นแค่นี้นนนเอง อย่าไปวังให้เขาต้องชมเราอย่างเดียวอย่าไปหวังให้เขาไม่ด่าเราเพรนั้นเองพร้อมที่จะให้เขาทําได้ทุกอย่างจะด่าเราก็ได้ครับจะชมเราก็ได้ทันนี้ไม่ประสงค์ออกนามครับอาจารย์เรื่องตัณหาทั้งสามที่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดอีกสงสัยตัววิภาวะตัณหาว่าจะทําให้เรากลับมาเกิดได้อย่างไรในเมื่อเราไม่อยากคะ่ะ มันไม่อยากมันไม่อยากในการมแต่มันมันประหยัดนันมันประหยัดความอยู่กับความสงบของรูปฌานอารมณ์ฌาน <c oughs> คือวิภาวะทารถานี่มันมีความหมายอยู่สองอย่างราะว่ทารถานกับวิภาวะทารถาความอยากมีอยากเป็นงานความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเรายังอยู่ในร ะ, ระดับของกางกางมาพอยู่เราอยู่ในกางเราพบเราอยากจะเสกกางที่เราชอบกลางที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะเสกใช่ไหม มันก็เป็นภาวะทันหาวิภาวะทันหาได้แต่ในในความหมายความหมายหมายถึงความอยากอยากหาความสุขจากรูปปัจจัก็เรียกว่าภาวะทันหาความอยากหาความสุขจากกับรูปปัจจัก็เรียกว่าวิภาวะทันหาสองตัวนี้ที่จะทําให้ปฏิเสธในรูปภพกับรูปภพเนี่ยถึงเนาลา ก, การมาทันหาได้แล้วแต่เรายังไม่ได้ละ ความอยากในรูปประชาเนเรื่ออารูปประชานเราก็จะไปติดอยู่ในรูปรออรประพกเรื้องอารมูปประพกเราก็ต้องละความอยากทั้งสองอันนี้เหมือนกับลราละความอยากที่จะเสดกางคุณประเทิงศักดิครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานึกถึงเวลาที่ตัวเองจะตายจริงๆทําไมมันรู้สึกสลดหดหู่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากทําอะไรเลยทําอย่างไรถึงจะรู้สึกเฉยๆได้ครับ ก็เนี่ยต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาเนี่ยเพืจะทำสตนินั่งสมาธิเข้าชานใ้ได้แล้วจิตก็จะมีอุเบกขาจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างง่ายกับความเป็นความตายทำนนี้มันยังถูกถูกดิเลตความเศร้าหมองทําให้รู้สึกสลดถึงหูว่าลึกๆมันยังอยากจะอยู่มันยังไม่อยากตาย คุณวรีวันครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาเวลาไปร่วมงานศพเอาเงินใส่ซองให้เจ้าภาพถือว่าได้ร่วมทําบุญกับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือไม่เจ้าคะไม่นะได้ทําบุญกับเจ้าภาพผู้รองรับเขาก็จะอุทิศบุญให้กับผู้รองรับไปจากบุญที่เขาได้ทํากันก็ถือว่าได้ทํากับผู้รองรับด้วยเวลาเวลาพระท่านสวยอนุโมทนาเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทํำให้กับผู้รองรับไปได้ ผู้ลรัไม่สามารถรับเงินทั้งหมดที่เราทําได้ต้องรับเป็นส่วนที่เป็นบุญที่อุทิศได้เท่านี้ก็ เ, เกิดจากการทําบุญของเรานี่นะแต่ไม่ได้รับทั้งหมดบุญที่เราทํานี้เราส่วนใหญ่จะเป็นของเราจะยืมของเราส่วนส่วนย่อยจะแบ่งไปได้ไหนก็ดีกว่าไม่มีไม่มีแบ่งให้ก็เลยไ ม, ไม่แบ่งให้ก็เลย คุณสมพรครับเป็นคารวาต้องปฏิบัติอย่างไรให้ละรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสใจอาจตนะหกได้ครับก็เบื้องตานง่ายสินส้นสิ้นสินแปดคับอย่าเสกรูปเสียงกลิ่นเสีต่างๆฉันไม่เล่นหลับนอนกับแฟนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับประทานอาหารเพราะติดในรูปรดกลิ่นเสียงของอาหารรับประทานอาหารแบบรับประทานยา เราทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายงั้นก็ไม่ต้องเลอกอาหารแล้วเราทานอาหารก็อย่าปรับประทานที่เราชอบเพรเรารับประทานหาที่เราชอบมาเสดงว่าเรากําลังเสบรูปเสียงกลิ่นวัของอาหารอยู้รับประทานอาหารที่เราไม่ชอบแสดงว่าเราไม่เสียมันกินก็เหมือนกินเหมือนกินยากินยาของนนี้เราไม่ชอบกินยาขอมกันแต่เราก็ต้องกินเพื่อรักษาโรคใช่ไหม อาหารก็เหมือนกันอาหารก็เป็นเหมือยาก็ต้องกินอาหารที่เราไม่ชอบถ้กินอาหารที่เราชอบมันก็กายเป็นการเสกทรไมท่านถึงต้องมียาผสมน้าตาลให้เด็กกินอ่ะพราะเด็กไม่ออากินยาขอมเนี่ยแต่เราอยากให้เด็กกินยาเราก็ต้องเอาน้ำตาลผสมเข้าไปให้มันหวานเด็กถึงจะกินยาได้เพราะเด็กมันยังติดความหวานอยู่ติดรสชาติของความหวาน อ้าเราอยากจะละเสกรูปเสียงกลิ่นลดเวลากินอาหารก็ต้องเลิกินอาหารที่เราไม่ชอบหรืออาหารที่เราชอบนี่แบบคบรวมกันหมดเลยถ้ามันเห็นแล้วไม่น่ากินขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับอาหารหมาที่เราคุกค่อยข้ามาคุกค่อหมากินอย่างนี้แล้วก็กินเอนอันนี้ก็เป็นการละแล้วก็อย่าดูดูภาพประยน์อย่าไปร้องเพลงอย่าไปท่องเที่ยวตามแหล่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะมันเป็นการเสียกรูปเสียงกิดแลดทั้งนั้น และ ก, ก, การรการเสริมสวยความงามของร่างกายของเราร ก, การใช้ของสวยๆงามต่างๆเสื้อผ้าพรองเท้ากระเป๋าอะไรต่างที่สวยๆงามๆถือว่าเป็นการเสพรูปสีง่งเก่งหมดทั้งนั้นถือสิ่งแตแล้วก็ไม่ให้นอนบนเตียงสำลันเลี้ยงให้ออาเลี้ยงที่นอนแล้วสบายนอนได้นานดับได้นานให้หลับเพียงพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอ การทำนเตียงสำราญนี่ว่าเวลานัางการได้พักพักผ่อนพอเพีแล้วพอตึงขึ้นมาจะไม่อยากงกอยากจะนอนต่อนี่คือการใช้รักษาสีบแปดนี่เรียกว่าเป็นการเจริญได้ขมมะคำว่าได้ขมมะก็คือการออกจากกลางศพนั่นเองออกจากความสุพที่ได้จากการเสกรูปเสีกเกินนั้นปวดทรมาร์ตต่าง อาจารย์พูดถึงอาหารแล้วผมนึกตอนบวชครับอาจารย์อาจารย์ผมให้ฉันในบาท น, นะครับผมยังหาผักไปใหญ่ๆมากั้นเป็นช่องๆเดี๋ยวไปดูปในเท้านะไม่คิดบ้างเหรอหมอในเท้ามีมีช่องกัน้นไหมบ้างช่องนี้เป็นของของหวานช่องนี้เป็นของขาวไหมบ้าเป็นหมอแท้ๆเลยยังลืเลยเวลาคนถวายผักไปใหญ่ๆนี่ดีใจเลยครับเอามากั้นไว้ คุณนิ่มครับมีเทคนิคการเดินสายกลางให้ขารวาสไหมครับพระอาจารย์ก็สายกลางที่พุทเจ้าสอนเนี่ยคาทานรักษาสี่งเราเนี่ตามกําลังของเราถ้ามากเกินกําลังก็ถือว่าอย่างอย่างหนักมากเกินไปตอนนี้เราทําได้เท่าไหร่เราก็ทําในตามกําลังเราทําน้อยกว่าที่เราทําได้ก็ไลยก็หย่อนทํามากเกินกําลังของเราทําไม่ไหวก็ถือว่าเกินกําลัง เอาขนาดพอดีกับกําลังของเราแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปเมื่อเราทำํำเราต่อไปกําลังของเราก็จะมีมากขึ้นเราก็จะปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับในตอนเริ่มตอนในตอนนี้ทําตามที่เราทําได้ทําบุญได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนรักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษาไปก่นอนภาวนาได้กี่นาทีก็ทําไปก่อนอันนี้ก็เป็นสายกลางของเรา คุณสมพรครับถ้าจิตเราปรุงแต่งโดยที่โยมเองก็ไม่รู้ตัวลืมตัวปล่อยให้จิตปรุงแต่งปล่อยให้ตัวรู้เพลอดเพลินการปรุงไปตลอดแสดงว่าในขณะนั้นโยมไม่มีสติไม่ทันรู้จิตตัวเองใช่ไหมครับนองกลับขอคําอธิบายตัวมาทําลายการปรุงแต่งของจิตน้องกลับเข้าไม่มีสติก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรคนที่เมาเล่าไม่รู้คิดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรทําอะไร ต้องให้ฝึกสติเยอะๆจะได้รู้ทันจิตรู้ทันความคิดว่ากำลังคิดหรือไม่คิดนีคุณตั๊กครับเมื่อวีก่อนสิทธิ์เป็นโควิดไปกักตัวที่โฮสเทลลำพังรู้สึกมีความสุขในแบบที่นึกไม่ถึงจึงเข้าใจว่าการวิเวกดีอย่างไรได้สำรวจใจตนเองได้พิจาราร่างกายโควิดก็มีข้อดีนะเจ้าค่ะได้ดีตรงนี้แหละทให้เราต้องจัดตัวกันอยู่คนเดียว ไม่มีใครก็สนใจหรอกรับพอเราติดโควิดนี่เราเป็นคนไล่ความหมายสลับเขานะเขาไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแสดงให้รู้ว่าในความรักที่แท้จริงไม่มีเราเขารักว่าเขาได้ประโยชน์จากเราพอก็ไม่ได้ประโยชน์จากเราแล้วเขาไม่อยากจะอยู่ใกล้เรายิ่งถ้าเราเป็นสร้างสอบนี่เขาส่งไปให้สปาทันทีเลยไม่ไม่หวงไม่อื้ไม่ไม่โผล่เลยฉะนั้ขณะที่เรายังทําประโยชน์ให้กับเขาได้อยู่เขาก็เอื้เขาก็โผล พอเราทำประโยชน์ให้เขาไม่ได้แล้วเขาก็ตัดเราเลยบางทีมันยังไม่ต้อ ง, งถึงตายเช่นติดโควิดเขาขอเราประกาศตัวนะหรือถ้าเราเป็นพิกรพิการต้องนั่งในวิวจาเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราแล้ ว, ลวอยู่กับเราต้องเป็นภาระเละยงดูเราตัดตัวประโยชน์จากเราไม่ได้นะมีนะสามีภรรยาของพูกนี้พอสามีหรือภรรยาพิก ร, พ, กรพิการไปนี่ยากดูเลยเลิกกันเลย รักแท้ไม่มีหรอกมันเป็นความ ร, รักเพื่อเอาประโยชน์จากการรักกันเท่านั้นที่ทําให้อยู่ด้วยกันได้พอผลประโยชน์ไม่ลงตัวปั๊บเท่นั้นก็เกิดการปัญหาขึ้นมาทันทีดนั้อย่าไปคิดว่าใครเขารักเราอย่างแท้จริงไม่มีหรอกมีเราเท่านั้นแหละที่รักตัวเราอย่างแท้จริงหรือไม่ฉะนั้นก็พ่อแม่ของเราเท่านั้นที่ยังรักักเราอยู่ถึงแม้เราจะพิการพิการถึงแม้เราจะเป็นอะไรท่านก็ยังจะห่วงใยเรา ูแล้วมอคุณมะม่วงครับน้องกราบถามพระอาจารย์คือเพื่อนที่ป่วยยังไม่รู้สึกตัวถ้าเราสวดอิติปิโสเขาจะได้รับไหมคะไม่ได้รับหักการสวดมันสวดเฉพาะคนสวดคนสวดจะได้รับคนไม่สวดไม่ได้รับนอกจากว่าถ้าเขามีสติเล่ฟังเขาอาจจะได้จากการทำสวดของเราเหมือนกับเข้าสวดตามบรรยากาศเดียวที่ตัวเขายังไม่ได้สวด อย่นี้ก็เป็นการฝึกสติของเขาให้เขารับความที่ถูกตัดได้เหมือนกันการทําธรรมคุณคามิโอครับพระอาจารย์ค่ายโยมได้มีโอกาสได้ใส่บาตรพระอาจารย์และอยู่ทําความสะอาดกุฏิที่สองและกุฏิที่สี่โดยรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าขาทําโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าขาเพราะตอนไปเกรงว่าจะรบกวนพระอาจารย์เลยไม่ได้ไปขอเจ้าขาได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์แต่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน โยงกราบขอคมากรรมต่อพระอาจารย์ทั้งกายวาจาอาจีมโนกรรมขอพระอาจารย์แนะนำชี้แนะโยมด้วยนะเจ้าค่ะเราอยู่กุฏิหนะ้าเนี่ยคุณเราไม่ได้อยู่ที่กุฏิสองกุฏิสี่เมตตาเมตตาเมตตาทหารของใครก็ไม่เป็นไรทำได้ทำความดีไม่ทำขออนุญาตทำไม่ถองคุณอธิชาครับ อาจารย์คะหนูไปปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งแต่ยังฝึกนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ชอบไปเวลานั่งสมาธิดุกครั้งนั่งได้แป๊บเดียวรู้สึกอยากลืมตาบางทีก็เป็นเหน็บชาเจ้าค่ะอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เวลาไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องฝึกสติไปอย่าปล่อยให้เวลาที่วัดเนี่ไม่ไม่ได้เจริญสติเพราะเราเจริญสติได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาเริ่มเจริญสติได้เลย ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไบการยในใจก็ได้หรือด้วยการบังคับให้ใจเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกทรอย่างหมดก็ได้รับรับองได้ถ้าเราทำอย่างยี้ได้พอเวลามานั่งสมาธินี่เราจะนั่งได้นานและอาจจะสงบได้เร็วด้วยคุณชว์วัชชัดครับ ผมนั่งสมาธิโดยใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธแต่บริกรรมที่ใช้มักจะไปติดกับอาการหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเป็นจังหวะตามลมหายใจโดยอัตโนมัติแบบนี้ถือว่าฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิถูกไหมครับก็ได้เป็นวิธีหนึ่งลองคนถนัดการใช้พุทโธควบกับการดูลมหายใจเข้าก็ทําได้เป้าหมายก็คือไม่ให้เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันนี่ คุณมนตรีครับผมชอบเปิดทำฟังตอนนอนจะบาปไหมครับอาจารย์ไม่บาปอะก็เป็นถือว่าเป็นการใช้ปัญญาตนอนหลับทำทอนความทําไปต้าบเดอดแล้วก็หลับได้คุณเบนครับถ้าจิตเรายังมีความโลภโกรธและอยากได้อยากมีเป็นระยะระยะในบางทีก็คิดได้ถือว่าเรายังเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำหรือไม่คะก็อย่ไาไปกังวล น, นะว่าจะเป็นบัวแบบไหน หมยให้เราจังวว่าเราสามารถปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้หรืไม่ดีกว่าคือทางสิงภาวนาถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบัวที่อยู่กับคอตรงนะแล้วก็มันเป็นบัวกา้านนะเรื่องกำังจะพัฒนาขึ้นไปไหนต่อไปห่ายให้เราถึงยึดหลักการปฏิบัติทานสิงภาวนาเป็นรในการในการวินิจฉัยว่าตัวเราเป็นบัวอย่างไร คุณลังสันครับที่กล่าวว่าทําสมาธิจนเจอตัวผู้รู้ข้อที่หนึ่งผู้รู้คืออะไรครับก็รู้ไงเดี๋ยวตอนที่รู้นะั้นตอนตอนที่จิตสงบตอนรู้ว่าความคิดหายไปเนื้อแต่ความว่าเนื้อแต่ความเนื้อแต่ตัวรู้เนื้อแต่ผู้รู้รู้ความว่ารู้ว่ า, าตอนนี้เราก็รู้ว่าแต่ส่วนใหญ่เราไปรู้กับความคิดซึ่งส่วนใหญ่ เราไปรู้ว่าเราคิดเราก็คิดว่าเราเป็นเป็นผู้คิดไปนะครับนี้เราไม่นูรู้ความคิดแต่เราไม่รู้เราไปรู้ว่าเราเป็นผู้คิดแต่พอผู้คิดหยุดคิดไปเราถึงจะรู้ว่าออกยังไม่มีมีผู้รู้อีกตัวหนึ่งผู้รู้ว่ากำลังคิดอะไรและไม่คิดอะไรตัวนี้ยากกันอย่างผู้คิดเป็นก้อนวัตัุข้อที่สองครับ ผู้ที่เจอผู้รู้คือผู้บรรลุเป็นอริยะหรือครับอริยะเนี่ยเป็นผู้ที่จิตสงบเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบก็เหลือแต่ผู้รู้ยังต้องปฏิบัติขั้นปัญญาต่อไปถึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องกิงนชนะตายรักปล่อยวางร่างกายปล่อยวางคันห้าให้ได้ คุณแคทครับตอนนี้โยมอยู่วัยเกษียณแล้วไม่มีภาระจึงไม่อยากทํางานอยากให้จิตใจสงบและมีเวลาปฏิบัติความมากๆแต่สามียังอยากให้ช่วยทําธุรกิจอยู่ควรทํำยังไงดีครับเพราะถ้ายังทํางานอยู่ก็ยังต้องเครียดและกังวลทําอย่างไรทําให้จิตใจขึ้นขึ้นลงทุกวันครับถามเราได้ไงมันเป็นเรื่องของสามีกับคนเดี๋ยวเราเข้าไปพูดเดี๋ยวกลายจะเป็นดุการเนี่ยคุณก็ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไร คุต้องการสามีเลยคุณต้องการความสงบต้องเรื่องเร า, าถ้าต้างการสามีก็ต้องทําตามสามีขอถ้าต้องการความสงบก็ต้องทําตามที่คุณอยากต้องการอยากจะทําคุณเอกชัยครับนั่งสมาธิมาเป็นปีแล้วใจฟุ้งซ่านไม่เคยสงบเลยมีวิธีแก้ไขไหมครับก็ไม่มีสติไม่ฝึกสติก่อนฝึกสติเย่อะ ตั้งแต่แตตนจนหลับเนี่ยใครพูดมาเมื่อปากเปลี่ยนปาชิดแล้วไม่นองทำเลยบ้างพอเริมตมื่นขึ้นมาเราพูดโทรไปเลยพูดโทรไปว่าตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอะไรหลอกเพียงแต่เราไปเตรียมตัวล้างหน้าล้างตาอาบน้ำับท่าแต่งผ้าอะไรไปช่วงนั้นเราก็พูดโทดโทฝึกสติไปก่อนแต่งเนื้อแต่งตัวเราทานอาหารก็ยังพูดโทพูดโธได้อยู่จนการเราจะต้องพูดคุยกับใครเราก็ค่อยๆพูดโท โดยต้องคิดเรื่องงานเรื่องการอะไรมาค่อยอย่าพูดถอยไปแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะคิดอะไรก็พูดโอพูดถอไม่กัน้นไม่สกัดความคิดไว้อย่างนี้แลวเวลานั่งจิตจะสงบได้ง่ายได้เลยคุณชนสนันท์ครับการเรียนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะเราควรปรับจิตใจให้มีเมตตาอย่างไรเมื่อต้องแวดล้อมกับคนใกล้ตัวที่มีทัศนคติในเชิงลบ จนแผ่พลังงานลบผ่านอารมณ์โกรธว่าจะโกรธจนกระทบจิตใจของเราให้ขุ่นมัวไปด้วยครับคือการแผ่เมตตานี่มันเป็นเรื่องของเรามันไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นเขาจะโกรธไม่โกรธเขาจะดีไม่ดีมันไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาทําให้เราไม่แผ่เมตตาเราต้องมอกว่าการแผ่เมตตานี้ยเป็การสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเปการสร้าง มิตรภาพกับผู้อื่นคนผู้อื่นเขาญาติดีเชื่อก็จะกดเอาเกลียเราไรือไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราหน้าที่ของเราคือให้เรามีความเมตตากับทุกคนคนจะกดเราลักเราเกลียดเราแล้วก็เมตตาเขาได้มีอะไรก็แบ่งให้เขากินได้สมมุติถ้าเราเป็นเหลืออยากให้เขาเป็นความสุขเวลาเขาทําอะไรให้เราเสียหายเงินบ้านเราก็อภัยให้เขาไปอย่าไปมีเรื่องเวนากับเขา เว่เราทอะไรล้วก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำร้ายร่างกายกังจิตใจของเขาถ้านั้นเองนี่คือการแผนเมตตากับทุกๆคนแผ่ได้ น, นคุณจุธพรครับยมรู้สึกงุดหงิดเมื่อได้ยินคำพูดความคิดไม่ดีของคนอื่นจะทำอย่างไรดีคะก็ อ, อ, อยากให้เขาพูดดีเลยครเพรางั้นเเปลี่ยนทัศนคติเราเราไม่หวางให้เขาพูดดีไม่ได้ อยากจะพูดดีแล้ไม่ดีก็เริ่มขเขาปล่อยให้เขาอย่าไปหวังอย่าไปอยากให้เขาพูดดีอย่างเดียวคุณปูเป้ ค, ครับกบพาพ้าจันครับได้มีโอกาสออกวิเวกประมาณหนึ่งเดือนในป่าที่ไม่ค่อยมีผู้คนผ่านและในค่ําคืนถึงช่วงปลายเดือนของการออกวิเวกรู้สึกในนิมิตว่าในป่าสว่างเหมือนกลางวันเหมือนเรามองไปในป่าตรงไหนก็สว่างจ้าทั้งป่ามีความสุขอิ่มเอิบมากครับ แบบนี้ถือว่าปฏิบัติถูกทางไหมครับถูก ท, ทางถูกใช้ได้จิตมีข้ามสงบจิตมีข้ามสว่างมีแบบใจจากควาสมสงบคุณตาต้นครับกาบเรียนถามการฝึกสติระหว่างวันทําอย่างไรดีครับก็มีสองวิธีบริกรรมพุทโธไปเรื่อยแล้วน้องเพลงเป็นใจท่านนี้ร้องเพลงกพทท็พุทโธพุทโธไป ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุทโธุทโธไปอีวิธีหนึ่งก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหว ข, ของร่างกายทุกอย่างทุกการกระทําเฝ้าจดจ่อดูการเคลื่อนไหวการกระทํา ข, ของร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้เรีว่าการสึกสติระหว่างวั คุณพาวิดาครับน้องกราบนวัชการครับการที่เราคิดถึงหลวงปู่ที่ละสังขานไปแล้วหรือเพราะแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพบูชาอยากไปกราบท่านแต่ไม่มีโอกาสไปตั้งจิตกราบอะลึกถึงท่านทางใจแต่ละครั้งอยากทราบว่าท่านจะรับรู้ได้ไหมเจ้าคะเขาไม่รู้หรอกเพราท่านไม่ท่านไปแล้วทําไมเคยกลับมาขอยเข้าหรือว่าใครคิดถึงท่านไม่คิดถึงท่านไม่ครัท่านท่านอยู่ท่านก็ไม่ได้คิดถึงเราหรอก ท่านอยู่ท่านอยู่ในปัจจุบันท่านไม่คิดปรุงแต่งปาระยามบุคคลท่านไม่คิดปรุงแต่งถึง ค, คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คุณกิตสนาครับเลี้ยงแมวจอล้วนะเขาออกลูกมาหลายตัวหลังจากคลอดแล้วเลยว่าจะเอาเขาไปทําหมันเพราะต่อไปเก่งเมื่อเขาจะไปมีท้องอีกถ้ามีอีกคงจะเลี้ยงลูกเขาไม่ไหวผมสมควรพาแม่แมวไปทําหมันไหมครับถ้าพาไปทํำหมันจะเป็นบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรือ การทำมันก็เป็นแต่เป็นการป้องกันให้เขามีรูปตั้งคันนั่นเองคุณเลตตตั้มแแบครับกับเรียนพระ อ, อาจารย์ค่ะนะเวลาที่กําลังจะตายหากกำหนดจิตได้ควรคิดถึงสิ่งใดคะควรคิดถึงบุญหรือกรรมต่างๆหรือพิจารณาร่างกายหรืออยู่กับลมหายใจผุดโธคะถ้าไม่คิดอะไรได้ในดีที่สุดหยุดคิดไว่วยวา อะไจะเกิดก็เกิดให้รู้เฉยๆไปคุณทีครับกลับเรียนถามอาจารย์ครับการจะเป็นพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันขั้นต้นนั้นจะต้องปรับพฤติและปฏิบัติอย่างไรครับอันนี้เราก็ต้องมาทานศีลภาวนาปฏิบัติทานเ ร, าา ร, าาราานักษาศีลแล้วก็ภาวนาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงขั้นขั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเอง คุณทิติมาครับหากเรามีความตั้งใจตั้งจิตว่าเราจะทําบุญด้วยจํานวนเท่านี้ทําแบบนี้แต่มีคนทักว่าทําเยอะไปไหมเดือดร้อนไหมทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราตั้งใจอย่างนี้เขาขัดเราจิตเราตกสะดุดอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะก็ยังไม่ได้ทำนะเพียงแต่เป็นความคิดเท่านั้นเองก็มัยังไม่ได้บุญจะได้บุญต่อเมื่อเราทำแล้วทำมากก็ได้มาทําร้อยก็ได้น้อยนะ บุญเอเอครับเวลามีโอกาสได้ทําบุญแล้วเราทําเผื่ออีกคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาทําเหมือนเราบอกให้เขาทราบให้อนุโมทนาบุญด้วยกันเขาจะได้รับบุญนั้นด้วยไหมครับไม่ได้หล้วเพราะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเงินของเราเป็นเป็นการกระทำของเราเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้เสียเงินเสียธรรมเขาไม่ได้รุจนจัดการทำบุญของเราทําแมเราบอกว่าทำให้เขาด้วยก็เป็นการบอกว่าเรากินข้าวกินข้าวใส่คำว่าผมผมกินข้าวเผื่อคนด้วยนะ เขาไม่ได้กินนับเขาต้องกินถึงเขาเองข้าวเขาต้องกินของเขาเองบุย เ, เ, เขาต้องทําองเขาเองหรือถ้าเขาฝากเงินมาให้เราทําให้เขานี่ได้ถ้าเป็นเงินของเขาคุณตรงลิศครับจาบเตียนถามพระอาจารย์ครับสภาวะรู้คืออะไรครับก็รู้เฉยๆโดินที่ไม่มีความคิดผุงแต่งกับสิ่งที่เรารู้ได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียง เสียงชมหรือเสียงด่าเขาเรียกว่าเป็นเสียงชมเสียงด่าไม่ปรุงแต่งว่าดีแล้วไม่ดีชอบหรือไม่ชอบดูเฉยๆคุณสุพันธิกาครับกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าจิตสุดท้ายก่อนตายไม่รู้สติเช่นได้ยานอนหลับเพื่อระงับอาการปวดหรือมีเวทนามากจนคุณคุมสติไม่ได้เราจะต้องไปอบายภูมิใหมคะ่ะไม่หรอกเวลาตายในจิตมันจะลูกตัวนั การตายนี้มันจะกระตุ้นให้จิตมีมีความรู้ทันทีว่ากำลัจะตายเฉนั้นจะมีสติไม่มีสติก็อยู่ที่การฝึกขาดมาถ้าเคยฝึกขัดให้มีสติมันก็จะมีสติถ้ามไม่เคยฝึกขาดมาให้มันมีสติมันก็จะไม่มีสติส่วนจะไปเอภัยอาบ่ายหรือไม่นั้นไม่ได้แคอยู่ที่สติก็อยู่ที่บาตที่เราทําถ้าเราทําบาตมากก็ทําทบุญ บาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเดงลงไปาบายแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาตายไปบุญก็จะเด้ง ม, มาไปสวรรค์ไ ม, ม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติมันอยู่ที่บุญหรือบาป ท, ที่เราทำว่าส่วนใหญ่มีกำลังมากกว่า คุณชาลอดครับกาบเล่นถามพระอาจารย์ค่ะถ้าคุณที่อยากทนานิพานที่ยังไม่สําเร็จในชาตินี้ตั้งใจปฏิบัติจนได้ฌานสามารถเลือกได้ไหมคะว่าเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมและควรเลือกไปเกิดสป็นแบบไหนคะถ้าได้ฌานก็ต้องไปเกิดยเป็นพรหมแล้วพอฌานเสื่อมก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนในที่สุดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น เพราะพบอื่นเป็นพบที่เราไปรับผลบุญผลบาส่วนพบมนั้น์นี้เป็นพบที่เรามาสร้างบุญสร้างบาปคุณมนัตครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะควรทําอย่างไรเพื่อที่จะให้อภัยคนที่เคยทําร้ายจิตใจเราให้ถูกใจซึ่งจริงๆยังไม่อยากให้อภัยเลยเพราะยังรู้สึกโกรธมากจากการกระทําของเขาต่อเราและหากไม่อภัยจะเป็นการไปผูกเวรกรรมกันต่อไปหรือไม่เจ้าคะขอพระอาจารย์เมตตาค่ะ ก็มองให้เห็นว่าความโกรธนี่มันเหมือนไฟเผาใจเราให้เรามีความทุกข์ไม่สบายใจการให้อภัยก็เหมือนการเอาน้ํามาดับไฟพอเราให้อภัยความโกรธเขาก็หมดไปใจเราก็เย็นสบายขึ้นมาก็ต้องถามดูวเองว่าเราอยากให้ใจเราร้อนหรืออยากให้ใจเรายิงอยากจะให้ใจเราทุกข์หรืออยา ก, ใ ห, ใ, า ก, ากให้ใจเราไม่ทุกข์แล้วเราก็จะทําให้เรา ให้อาไปก็ได้เพราะเราทําเพื่อตัวเราเราไม่ได้ทําเพื่อเขาเพราะงั้ น, หนเหมือนเหมือนไฟบ้าบนน้องนี้เราจะเอาไฟมาดับเอาน้ามาดับไฟหรือเปล่าหรือเราจะไปโกดคนที่มาจุดไฟเอาบ้านเราไปโกดเข้าแล้วมันจะทําให้ไฟที่ในบ้านเราหายไปดับไม่ไม่ดับหรอกเวลาไฟไหม้บ้านเราเราก็เลยไปหาน้ามาดับไฟไม่ใช่ไปโกดคนที่เขามามดเอาบ้านเรา เราต้องรีดมาดับไฟในใจเราการให้อภัยเขานี้ไม่ได้เป็นการทำทาเวลาให้เขาเราเป็นการทําให้เราให้เราเริ่มโกรธเขาให้เริกทุกกับความโกรธของเขาที่เรามีต่อเขาเทด้ไหมแล้วข้อต่อไปไม่อภัยมันก็จะเป็นการถูกเวรถูกกรรมเพราะเรายังจะโกรธเขาอยู่ระเกงเขาอยู่แล้วอาจย์ มีโอกาสละก็จะไปแก้แค้นนั่งแค้นได้แล้วมันก็จะทำให้เขากลับมาทำาร้ายเราอีกมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีวันสิ่งสุดจองเวรจองกรรมไปทุกวกทุกชาติคุณโซดาครีมครับฉันทะราคะนันทิตันหาแต่ละตัวนี้มีน้ําหนักแตกต่างกันอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันล้วไม่มีตาช่าง <laughs> ต้องดูเราไม่รู้อ่ะเพราะคำํำคำเหล่านี้มันมันมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันพูดยากเราะว่าน้ำหนักไม่ทราบมาเขาไม่ขออีกสองข้อนะคะอาจารย์ครับคุณปีปีครับกลับไปถามพระอาจารย์ค่ะกิเลสที่เกิดจากการอยากทาทานและอยากได้บุญเยอะๆควรแก้ยังไงคะแก้ด้วยการทำนี่การอยากทำบุญนี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเป็นธรรมเป็นการฆ่ากิเลส กิเลสไม่อยากให้เราทําุําทานกิเลสมันอยากใ้เอาเงินอไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากให้เราไปเที่ยวมากกวาการอยากทําบุญทาทานนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นเชื่อมดับกิเลสเป็นธรรได้เลยอยากทาบุญทาทานเยอะๆก็ทําไปเลยไม่ต้องแก้พระเจ้าสอนให้ทําทําให้หมดเลยมีเงินเท่าไหร่มีหน้าตักเท่าไหร่ทุ่มไปให้หมดเลยทําถ้าทุ่มได้ทําไปเลย จะมีประโยชน์กับใจมากทำให้ใจมีความสุขความอิ่มมากคุณ ABC ซครับกากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราทำดีและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างสม่าอย่างเสมอเท่าเทียมกันทั้งคนดีไม่ดีและคนที่ชอบเอาเปรียบเราในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าคะเข้าใจคำสอนที่ว่า ควรทำดีให้ถูกที่ถูกบุคคลถูกเวลาแต่โยมรู้สึกว่าเมตตาเขาไปเถิดแม้ว่าเขาจะทําร้ายเราตอบเราก็แค่พยายามปล่อยวางและอุเบกขาแบบนี้โยมทําถูกไหมคะก็ทำอะไรก็ที่ไม่เบียดบียนแเราก็เคยอย่าทำให้เราเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเราถ้าทําแล้วมันทำให้เข้ามาทําร้ายเราเราก็อาจจะต้องไม่ทํา การเดือดเดืยนตัวอก็คือการไปกระทำอะไรแล้วทาให้ตัวเราเสียหายเดือดร้นอนไม่นี้เรียกว่ามีการเดือนเดือนตนหมดนั้นหรอือครับอ๋อไม่หมดกับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดกับอาจารย์กับก็สามทุ่มครึ่งกว่าครับอันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมด้วยกันใน f a c e b o o เจ็ด้อยเก้าสิบหกคนครับในยู u ูบแปดร้อยสิบสองคน ในครอบครัว26คนรวมเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันตอนนี้พันหกร้อยสาสิบสี่คนนะครับอาจารย์ครับทั้งวันนี้ก็อกแปดร้อยกว่านนี่มาจับกับปลาได้ไหลายตัวเลยสองวันกว่าการดีที่ทุกคนมีการสนใจในทำแสดงว่าเป็นพวกบัวกลางน้ำเนั้นะอย่างไรก็จะพวกบัวกลานนะ้ำถ้าไม่สูงกว่านั้นไม่ใช่เป็นพวกบัวที่อยู่คนต้นอย่างแน่นอนเพราะพวกที่เป็นบัวอยู่ที่คนต้นนี้จะไม่เข้ามาฝังธรรมอย่างแน่นอน อ น, นุญาต จ, จะไปดูหลังฟังเพลงที่ไหนก็ได้ยัก็ขอแสดงสดงความยินดีด้วยกับความความสนใจในธรรมว่าจะนําให้ท่านได้แบบสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ฉที่ชนะรถทั้งปวกต่อไปการแสดงสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำบทสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดดิจจาณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุขอราบุณหมอแาะท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงท่านี้ถ้าไม่มีร า, ายขัดข้องก็นคนจะได้พบกันอกในคราวหน้าในอาทิตย์หน้าขาเจริญพรนะครับกลบขอบพระคุณอาจารย์ครับ